ขอ เ, เจอริญพรกลุ่มกรละยาณธรรมชมรมเอเอสรวมใจสมาธิสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เจริญพรครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมีดรสนองวรอุไรเป็นต้นนอกจากนั้นก็ขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่เราท่านทั้งหลายผู้สนใจไปธรรมะ ในวันนี้ธารมภาพจะพูดถึงเรื่องวิธีคิดตามหลักพุทธธรรมชื่อรองก็คือคิดเป็นคิดถูกคิดดีแล้วก็คิดมีประโยชน์แต่ก่อนที่จะพูดถึงวิธีคิดธรรมภาพใคร่ขอเจริญพรทุกท่านทุกคนได้ยืดตัวขึ้นมาประสานมือไว้ที่หน้าตัก เราจะทําตัวให้เป็นภาชนะพร้อมที่จะรองรับหยาดฝนแห่งพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าตัวธรรมภาพเองเป็นเพียงผู้สื่อสารเท่านั้นเองสิ่งที่จะไหลหลั่งออกจากตัวของธรรมภาพหรือของครูบาอาจารย์ทุกๆ ท, ท่านที่ท่านทั้งหลายมาฟังธรรมเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ของครูบาอาจารย์คนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเพียงเป็นสะพานแห่งธรรมก่อนที่เราจะฟังธรรมเราจึงควรถวายความเคารพพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงยิ่งใหญ่อยู่ได้ก็เพราะทรงสอนสติปัฏฐานสี่เพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปเจริญพรทุกท่านหลับตาเมื่อได้ยินเสียงระฆังดังขึ้นขอให้ทุกคนอยู่กับลมหายใจ ให้เราทุกคนเจริญสตินอกจากรำลึกนึกถึงและถวายความเคารพพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วสิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญมากก็คือให้เราได้รู้เนือเน้อรู้ตัวคำว่ารู้เนื้อรู้ตัวคาเดียวสั้นๆคาเนียคือหลักใหญ่ใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนาถ้ามีใครมาถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร ตอว่าพระองค์สอนให้รู้เนื้อรู้ตัวเอาแค่เนี้จบเลยเมื่อเรารู้เนื้อรู้ตัวเราก็จะรู้ต่อไปว่าเมื่อฟังธรรมะเราควรจะฟังอย่างไรแต่ถ้าเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวในขณะฟังธรรมะเราก็จะปล่อยให้เสียงโทรศัพท์ดังอาจจะปล่อยให้ตัวเองชวนเพื่อนคุย หรือบางทีก็อาจจะคิดฟุ้งไปข้างนอกแต่ถ้าเรารู้เนื้อรู้ตัวเสียงธรรมะกับโสตประสาทของเราอยู่ที่เดียวกันทำได้ถึงขนาดนั้นท่านจะฟังพร้อมๆกับการเจริญสติพอเจริญสติเป็นสมาธิก็มาพอสมาธิมาความเฉียบคมทางปัญญาเกิด ด้วยเหตุนี้เวลามีคนฟังพระพุทธเจ้าเทศน์ในครั้งพุทธกาลคนบางคนบรรลุธรรมทั้งทั้งที่ยืนฟังคนบางคนบรรลุธรรมทั้งทั้งที่นั่งฟังเพราะอะไรเขาใช้ใจฟังใช้โสตประสาทรับสัมผัสแต่ใช้หัวใจฟังถ้าเราใช้หัวใจฟัง เมื่อสติปัญญาบารมีมีเป็นพื้นฐานอยู่พอสมควรอาจจะเข้าถึงงอัดเข้าถึ้งทำ ท, งทั้งทั้งที่นั่งอยู่บนเก้าอี้อนี่เองนี่คือเคล็ดลับที่มีคนมักจะถามว่าทำไมครั้งพุทธกาลจึงมีคนบรรลุธรรมมากมายเลือเกินเมื่อฟังธรรมะจบแล้วทำไมทุกวันนี้คนก็ฟังธรรมะเหมือนกันจึงไม่ค่อยบรรลุคาตอบก็คือคนสมัยพุทธกาล ใช้โสดประสาทรับเสียงแต่ใช้หัวใจฟังแต่คนทุกวันนี้ใช้หูฟังแล้วก็ปล่อยให้ผ่านออกไปที่หูอีกข้างหนึ่งฟังเหมือนกันบรรลุเหมือนกันแต่ว่าคนสมัยก่อนบนรรลุธรำคนสมัยนี้ฟังเสร็จแล้วก็บรรลุความสงสัยให้ความฟุง้งซ่านไม่ถึงแก่นทมแต่ว่าเวลาทุกเนี่ยถึงกันทุกทุกที แปลกมากเวลาปฏิบัติธรรมตามหาเกนไม่ค่อยเจอแต่เวลาทุกเนี่ยทุกเต็มเ่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเราไม่มีหลักหลักอย่างหนึ่งในการปฏิบัติธรรมก็คือการคิดบางท่านอธิบายว่าในการฝึกสมาธิภาวนาไม่มีการคิดมีแต่การตามรู้จริงจริงศีลสมาธิตันดามันไปด้วยกัน ไม่ใช่ในวิปัสสนาไม่มีความคิดนะมีทีเดียวแล้วก็สำคัญมากทีนี้ก่อนจะพูดถึงวิธีคิดตามหลักพุทธธรรมก็จะเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งให้ฟังหากเราท่านทั้งหลายเคยอ่านวรรณกรรมชัญยอดทางพระพุทธศาสนาซึ่งประพันธ์โดยนักเขียนชาวต่างประเทศคือชาวเดนมาร์วรรณกรรมชิ้นนั้นชื่อการเปินิพพาสิทิ การมนุษย์ก็เหมือนเราท่านทั้งหลายคือเป็นผู้ครองเรือนแล้วก็พบกับปัญหาชีวิตคู่ทุกหนักหนาสาหัส ต, ต่อมาได้ยินข่าวคราวว่ามีพระพุทธองค์เสด็จมาอย่างบ้านเบืองของตนอยากไปเฝ้าตัดใจทิ้งครอบครัวทำตัวเป็นอนาคาริก ออกจากบ้านมุ่งไปหาพระพุทธองค์ไปมันทุกคนทุกแห่งวันหนึ่งเขาก็ได้พบกับสมณะหนุ่มรูปงามท่านหนึ่งที่โรงช่างหม้อแล้วการมนิทหนุ่มก็ได้นั่งคุยกับสมณะสมณะหนุ่มรูปนั้นตั้งแต่หัวค่ำจนถึงประมาณตีสามตีสี่เสร็จแล้วก็ลาแยกกันไปพักคนละหมุม รุ่งเช้าเมื่อตื่นขึ้นมากามเมเนตนมยังเห็นสมณะรุกนั้นนั่งสมาธิตัวเขาเองไม่กล้ารบกวนก็จึงเดินออกจากบ้านไปเดินไปได้สักครึ่งชั่วโมงถูกอัวบ้าวิ่งมาปิดการเมเนตนมก่อนที่เขาจะขาดใจตายกลางถนนขบวนของพระสารีบรเดินสวนทางมา พระคุณเจ้าท่านก็ถามมาโยมไปยังไงมายังไงถึงมานอนถูกวอดฟิดอยู่ที่นี่ละ่ะชายหนุ่มในเรื่องนี้ซึ่งมีตัวตนอยู่จริงๆในพุทธประวัติแต่ว่านักเขียนจำลองชีวิตเขาออกมาเป็นการเป็นิสให้คำตอบกับพระมหาเถรารูปนั้นว่ากระผมออกจากบ้านจะริบไปทุกขนทุกแห่องอยากจะเฝ้าพระพุทธองค์สมณะหนุ่มรูปนั้นก็นึกในใจว่าเอ๊ะ เจ้าหนุ่มคนนี้ก็เดินทางออกมาจากบริเวณบ้านช่างหม้อก็พระพุทธองค์ประทับอยู่บริเวณนั้นมิใช่หรือทำไมเขาจึงบอกว่าไม่พบพระพุทธองค์ไม่ถึงหนึ่งนาทีต่อมาเจ้าหนุ่มคนนั้นก็เสียชีวิตขบวนกองพระนารนบทก็เดินทางไปฝ้อพระพุทธองค์ที่บ้านนายช่างหม้อเล่าเรื่องนี้ให้พระพุทธองค์ฟัง เราท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นชาวพุทธจำนวนไม่น้อยอยากศึกษาธรรมะเฝ้าสแสวงหาวิธีทุกสิ่งทุกอย่างศึกษาอภิธรรมศึกษาบาลีศึกษาพระไตรปิฎกพัววัดไหว้พระปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทาถึงขนาดนี้ทุกอย่างอัดเน้นเต็มหัวใจ ทำไมไม่ถึงที่สุดทุกขคนประเภทนี้เปรียบไปก็เหมือนกาเมนิสเขาอยากดับทุกแต่ไม่รู้ว่าจะดับทุกนั้นเขาทำกันยังไงเขาอยากพบพระพุทธเจ้าแต่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อนว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงมีพระลักษณะอย่างไงอยากถึงแก่นทำแต่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อนว่าทำที่แท้ในพระพุทธศาสนา มีภาพรวมหรือมีเอกลักษณ์เป็นอย่างไรอยากถึงกันแต่เพราะไม่รู้จักกันก็ไปช่วยเอาเปลือกมาเป็นกันเพราะฉะนั้นบางครั้งเมื่อได้พบกับผู้ทรงธรรมจริงๆได้นั่งคุยได้นั่งสนทนาบางคนไม่เท่านั้นได้ไปนั่งทะเลาะกับผู้ทรงธรรมเสร็จแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับออกไป ก่อนพบผู้ทรงธรรมมืดอย่างไรกลับออกไปก็มืดอยู่อย่างนั้นเราท่านทั้งหลายไม่ต่างจากกระเม็นิธอยากพบพระพุทธเจ้าแต่ไม่เคยศึกษาลักษณะไม่เคยสนใจภาพรวมของพระพุทธเจ้ามาก่อนดังนั้นวันหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์เสด็จดำเนินมาเคาะประตูทั้งท้งที่เสด็จดำเนินมาใกล้ถึงเพียงนั้นเราก็ยังไม่รู้จักพระองค์ เช่นเดียวกันหลายหลายคนไปฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกับครูบาอาจารย์พบครูชั้นยอดแต่ยังเอาปัญญาจากครูไม่ได้เพราะอะไรเหตุปัจจัยสำคัญที่สุดเราคิดไม่เป็นเราปฏิบัติเป็นแต่คิดไม่เป็นก็ไม่ได้เหมือนคนมีเงินไม่รู้จักใช้ ก็ไม่ได้เงินเหมือนสุนัขนอนทับกองข้าวเปลือกก็ไม่ได้กินข้าวสารอยู่กับของมีคุณค่าแต่ไม่เคยเห็นคุณค่าเพราะว่าวิจารณะปัญญานั้นไม่ลึกซึ้งไม่แยบคายทำยังไงเมื่อเราพบธรรมะพบพระพุทธองค์พบครูบาอาจารย์ชั้นนำทางจิตวิญญาณ เราจรึงจะสามารถซึมซับเอาธรรมะจากท่านเข้ามาเป็นธรรมะของเราคำตอบก็คือเราจะต้องมีโยนิโสมณสิการคิดเป็นคิดถูกคิดดีและคิดมีประโยชน์ทีนี้ถามต่อไปว่าความคิดเนี่ยคืออะไรความคิดก็คือสภาวธรรมอย่างหนึ่งในขันห้าภาษาธรรมเรียกว่าสังขาร แปลตามภาษาวัดว่าการปรุงแต่งการปรุงแต่งทางจิตการปรุงแต่งทางใจแปลให้เป็นภาษาร่วมสมัยว่าความคิดทีนี้ความคิดสำคัญขนาดไหนพระพุทธองค์ท่านตอบเอาตอบเอาไว้ว่าความคิดนี้เป็นนายของสรรพสิิ์เช่นมีพระพุทธโพธิ์ที่ตรัสเอาไว้ว่ามโนปุพังข้ามาทำมามโนเสถามโนมยาเป็นต้นแปลว่า ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจสําคัญที่สุดใจในที่นี้ก็คือความคิดนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงถอดได้อีกอย่างหนึ่งว่าความคิดเป็นใหญ่ความคิดเป็นประธานความคิดสําคัญที่สุดหากว่าเราคิดดีหรือมีใจผ่องแผ้วการพูดการทําก็ดีตามเสมือนเงาตามดวแต่ว่าหากเราคิดชั่วทําชั่วการพูดการทําของเรามันก็เสียตาม เหมือนกับล้อเกวียนหมุนเวียนตามรอยเท้าของนี่คืออิทธิพลของความคิดหากเราคิดดีมีจิตใจผ่องใสการพูดของเราก็ดีการทำของเราก็ดีและเพราะผลแห่งการคิดดีพูดดีและทำดีนั้นความสุขก็ติดตามตัวเราเหมือนเงาติดตามตนไปทุกแห่งหนในทางกลับกันหากเราคิดชั่วก็จะพูดชั่วและทาชั่ว และเพราะผลแห่งการคิดชั่วผู้ชั่วและทำชั่วนั้นทุกก็จะติดตามเราดังหนึ่งล้อเกวียนหมุนเวียนตามรอยเท้าของนี้คือความคิดหรือจิตเป็นนายของทุกสิ่งทุกอย่างสองความคิดหรือจิตนี้เป็นผู้กาหนดสรรพสิ่งพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าจิตเตนะนิยติโลโกะแปลว่าอะไรแปลว่าโลกหมุนไปเพราะความคิดหรือแปลได้อีกอย่างหนึ่งว่าสัตวโลกทั้งหลาย จะเป็นอย่างไรก็เพราะเขาคิดฝรั่งเขาแปล ง, ไ ง, ไง่ายๆว่า you are what you believe คุณเชื่อยังไงคุณคิดยังไงคุณก็จะใช้ชีวิตอย่างนั้นทีนี้ต่อไปความคิดเนี่ยคือผู้ประเมินค่าของสรรพสิ่งสรรพสิ่งจะมีคุณค่าจะมีความหมายหรือไม่ขึ้นอยู่กับเราคิดยังไงเช่นเพชรเนี่ย เพชรก็คือแร่ธาตุชนิดหนึ่งก็คือเห็นชนิดหนึ่งแต่พอความคิดของมนุษย์ทั่วโลกไปประเมินค่าว่าเจ้าเห็นชนิดนี้ที่เราเรียกว่าเพชรเนี่ยเป็นสิ่งสูงค่าคนก็แย่งกันครอบครองเพชรแต่สําหรับพระอริยเจ้าแล้วสิ่งเหล่านี้ก็คือก้อนเห็นก้อนหนึ่งไม่มีความหมายอะไรเพราะอะไรเพราะท่านอยู่นอกเหนือการประเมินค่าอัตาภาพเคยอ่านเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งดีมากๆ เป็นนิทานปรัชญาเซนซึ่งมีไว้สอนผู้ฝึกสมาธิวิปัสสนาเบื้องต้นชายคนหนึ่งไปเจอหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อครับผมอยากจะได้ของดีที่อยู่ในย่ามหลวงพ่อหน่ยหลวงพ่อก็หลวงเพชรให้เม็ดหนึ่งพอได้เพชรเม็ดหนึ่งมากลับไปนอนบ้านคืนนั้นนอนไม่หลับเหมือนคนไทยมีทองท้นหนวดกุ้งนอนสะดุ้งทั้งคืน ได้เพชรมาเม็ดหนึ่งนอนไม่หลับกลัวขโมยจะขึ้นบ้านคิดกังวลไปร้อยแปดพันเก้าตื่นช้ามากลับไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อครับผมเอาเพชรมาคืนเ่าเมื่อคืนทําไมผมอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งจากหลวงพ่อครับเธออยากได้อะไรผมอยากได้สภาพจิตใจของหลวงพ่อ ที่สามารถล้วงลงไปในยามแล้วคว้าเพชรให้กับผมโดยที่ไม่อะไรใ่ดีเลยผมอยากได้ภาวะจิตใจแบบนั้นครับหลวงพ่ อ, พอนั่นคือภาวะจิตใจที่ทาลุสมมุิไม่ยึดติดในสิ่งต่างๆเห็นหินเป็นห็นไม่ใช่เห็นหินเป็นเพชรเพราะฉะนั้นความสำคัญของความคิดประการที่สามก็คือความคิดในประเมินค่าของสิ่งต่างๆ การที่เราทุกมากหรือทุกน้อยก็เพราะว่าเราไปประเมินค่าทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเราเข้าไปเกี่ยวข้องผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยทำให้ผู้ชายคนหนึ่งทุกแทบล้มประดาตายถึงขนาดว่าอยู่เป็นคนไม่ได้ต้องไปฆ่าตัวตายแต่ว่าสำหรับผู้ชายอีกคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะอะไรเพราะว่าผู้ชายคนแรกประเมินค่าผู้หญิงคนนั้นว่าคือแฟนของตัวเอง ขาดเธอแล้วฉันตายแต่กับผู้ชายอีกคนหนึ่งเขาไม่ได้ประเมินค่าผู้หญิงคนนั้นก็คือมนุษย์คนหนึ่งเดินผ่านฉันแล้วก็ผ่านไปเหมือนสายลมเมื่อไม่มีการประเมินค่าผู้หญิงคนนั้นทําร้ายเขาไม่ได้เห็นหรือยังทุกสิ่งทุกอย่างทุกทุกปรากฏการณ์ที่ห้อมล้อมชีวิตของเราอยู่จะทําให้เราทุกข์หรือจะทําให้เราสดขึ้นอยู่กับว่าเราเอาความคิดไปประเมินค่าไปประเมินความสําคัญมันมากหรือน้อย หากเราประเมินค่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากมีมูลค่ามากเราก็จะทุกข์เพราะสิ่งนั้นมากเช่นเดียวกันหากเราไม่ประเมินคุณค่าของสิ่งใดเลยสิ่งนั้นไม่สามารถทำให้เราทุกข์เคยได้ยินเรื่องราวของชาวสวนคนหนึ่งเขาปลูกสวนทุเรียนทำสวนทุเรียนคืนต่อมาพายุใหญ่พัด ส, สวนทุเรียนล้มทั้งสวนเช้าวันนั้นเจ้าของสวนเข้าโรงพยาบาล สมเดือนผ่านไปลูกๆฟื้นส่วนทุเรียนได้เจ้าของสวนลุกไม่ขึ้นเพราะอะไรล้มครั้งนั้นแล้วเป็ น, น้ำมาา้าเป็ น, น้ำมพึกเลยป่วยทั้งกายทั้งใจส่วนทุเรียนลม้มสภาพจิตใจล้มเหลวตามไปด้วยทำไมก็เพราะว่าเขาประเมินค่าของสวนทุเรียนนั้นว่าคือชีวิตติดใจของเขาเอง แต่คนข้างบ้านเห็นต้นทุเรยียนล้มเขาไม่ทุกข์เลยไม่เป็นอะไรเพราะอะไรเขาเฉยเฉยเพราะฉะนั้นความทุกข์ในชีวิตเราจึงขึ้นอยู่กับการประเมินค่าใครเป็นคนประเมินค่าก็เจ้าตัวความคิดในหัวของเรานี้เองพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวจิตของเรานี้แหละอันนี้คือความสําคัญของความคิดทีนี้ก็ดูต่อไปว่าคนทั่วไปนี้คิดกันอย่างไรเราท่านทั้งหลายนั่งอยู่ในห้องประชุมนี้พันกว่าคน คิดเหมือนกันไหมไม่เหมือนหรอกบางคนอยู่มาจนถึงป่านนี้อาจจะไม่เคยรู้ด้วยซ้ําไปว่าคิดอย่างไรเราอยู่กับบางสิ่งบางอย่างมาทั้งชีวิตแต่บางทีเราไม่รู้จักมันตอนอามาภาพเป็นเนน้อยเส้นเสียงอักเสบเพราะสอนหนังสือเยอะอยู่ต่างจางังหวัดวันหนึ่งก็ไปรักษาเส้นเสียงอักเสบที่โรงพยาบาลพยาบาลบอกให้หายใจ หายใจเข้าออกท้องคลองหายใจออกท้องยุกก็ไปฝึกหายใจกับพยาบาลมีอยู่วันหนึ่งพยาบาลก็บอกเน้นเน้นหายใจไม่เป็นนะเราโกรธเลยหายใจไม่เป็นอยู่มาได้ยังไงเนี่ยอยู่มานสิบเจ็ดเนี่ยหายใจไม่เป็นมันจะเป็นผู้เป็นคนได้ยไงพยาบาลก็บอกท่านหายใจเป็นเนี่ยหายใจจากกระบังลมเนอะ หายใจจากท้องเลยไม่ใช่หายใจที่ต้นคอนี่เพราะหายใจไม่เป็นเนี่สิถึงลำบากเวลาพูดต้องตะเบงเสียงตลอดเวลาคนหายใจเป็นเนี่ยเขาไม่เหนื่อยเวลาพูดนะพยาบาลก็สอนให้หายใจก็ยังไม่เข้าใจยังโกรธไ้ซ้าไปถือดียังไงมันสอนฉันหาว่าฉันหายใจไม่เป็นยังโกรธแล้ววันหนึ่งจะว่าเป็นเคราะห์กรรมหรือเป็นโชคดีก็ได้ พัดพาให้ไปมีโอกาสฝึกอบรมอยู่ที่วัดอัมพวันสองเดือนเต็มเข้าไปปล่อยเกาะห้ามเยี่ยมห้ามประกันสองเดือนเต็มแล้วเราก็ไปรู้จักการหายใจเป็นเราที่นั่นยุบหน่อพองหน่อซึ่งเรามองว่าเป็นคาเล่นๆพอหายใจเป็นเราเห็นวันนี้คือคาศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกหลวงพ่อจรย์นั่นบอกว่าหนอละล้านเจ้านะ นอยละล้านเจรนะเพราะอะไรก็พระพุทธเจ้ากระรดสรู้ก็เพราะอย่างนี้ยมาทําอย่างนี้พอไปฝึกสติปัญญาเป็นเท่านั้นเองโอ้ยนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงยมพ่อยมแม่อยากกลับไปกราบแทบเท้าเจ้าอาวาสแล้วกราบที่อื่นมันก็ไม่สาแก่ใจเพราะอะไรเพราะว่าตอนท่านสอนเราเนี่ยเราไม่ซึง้งจะซึ้งได้ยังไงสามารถเรนกลาลังกินกํลาลังนอนปลุกตื่นแต่ตีสี่ เดินจงกรมบนสนามหญ้าทั้งๆ ท, ที่เดินมันก็หลับไปในตัวเดินไปหลับไปมีอยู่วันหนึ่งก็หลับในทั้งๆ ท, ท, ที่เดินจงกร ม, มพระเจ้าวัดยืนขวางอยู่ก็ไปชนหลังท่านก็ดูมันทำสิมนุษย์เนี่ยถ้ามันตั้งใจทำมันจะมนรลุตั้งแต่ตอนเป็นเน้นแล้วนะปล่อยให้เยอะๆเรื้ อ, อ, อรังมาจนอีกหลายปีกว่าจะหายใจเป็น พอหายใจเป็นนะ้ยซึ้งมากอยากจะร้องไห้ไม่ใช่ร้องที่ริมขอบตานะร้องมาจากข้างในจากศูนย์กลางกายเลยจากก้นบึ้งพอเราไปหายใจเป็นที่นั่นเมื่อมาเรียนปริญญาโทก็ไปฝึกอีกเอาไปปล่อยกาะ อ, อีกหนึ่งเดือนน่นดงพญยาเย็นน่นที่ที่ทหารญี่ปุ่นตายกันเยอะยะใกล้ๆทางรถไฟสายมรณะ ใกล้ๆคลังแสงของทหารเขาระเบิดอ่ะไปฝึกก็เมื่อได้ฝึกแล้วเราก็เข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งค้างคาอยู่ในใจรวมทั้งได้เข้าใจความคิดของตัวเองด้วยเมื่อเข้าใจตัวเองก็เข้าใจคนอื่นเมื่อเข้าใจคนอื่นก็เข้าใจคนทั้งโลกเหมือนเราไปตักน้ำเค็มจากทะเลมาหยดเดียวดื่มเข้าไปอึกหนึ่ง น้ำทะเลที่พัตยามันเค็มจากนั้นไปดื่มน้ําทะเลทั่วโลกไม่สงสัยเลยเค็มเหมือนกันหมดรู้จักน้ําทะเลหยดเดียวเข้าใจน้ําทะเลทั่วโลกเห็นทำภายในใจของตัวเองครั้งเดียวเข้าใจมนุษยชาติทุกรูปทุกนามความทุกข์ก็เป็นสิ่งสากรความสุขก็เป็นสิ่งสากรธรรมะก็เป็นสิ่งสากร เหมือนพระพุทธเจ้าบอกเข้าใจใบไม้กับมือเดียวก็เข้าใจใบไม้หมดทั้งป่าการที่เรามาเข้าใจธรรมะทั้งหลายทั้งปวงก็เพราะเราได้ไปศึกษาได้ไปปฏิบัติจนกระทั่งเข้าใจความคิดมองเห็นกระบวนการของความคิดและวันหนึ่งเราสามารถอยู่เหนือคิดได้ท่านทั้งหลายเคยอยู่เหนือความคิดไหมไม่ใช่เอาความคิดไ้ใต้โต๊ะแล้วขึ้นอยู่เหนือข้างบน เหนือคิดไม่ใช่หรอกเดี๋ยวจะพูดให้ฟังก็เล่าเรื่องนี้ประกอบเพื่อจะบอกว่าอัตตมภาพบรรยาธรรมครั้งนี้บนพื้นฐานของปริยัติบวกปฏิบัติไม่ใช่ไปอ่านหนังสือแล้วก็มาท่องให้ฟังแต่เอาทั้งสองอย่างนั้มายำรวมกันเป็นต้มยำธรรมะคนทั่วไปคิดกันยังไงธรรมภาพสรุปได้หลายข้อเหลือเกินหนึ่งคนทั่วไปคิดฝุ่งซ่าน คิดฟุง้งซ่านเช่นถ้า ร, รูปหนึ่งไปบวชแล้วเสี่ชีวิตพระมากวันหนึ่งคิดจะลาศิกขาในระหว่างนั้นก็ถวายงานพัดให้หลวงลุ ง, ลงพัดไปพัดไปแกก็คิดว่าลาศิกขาแล้วฉันจะแต่งงานแต่งงานแล้วก็ต้องมีลูกมีลูกแล้วถ้าลูกร้องไห้ฉันก็จะปลอกเอ๊ะถ้าปลอกไม่อยู่ทํายังไงตีมันเลยปรากฏว่าเอาพัดปัดหัวหลวงลุ ง, ลง ลุล้นเลยเอ้าสะดุ้งเลยทำไมมาตีฉนันนะมันกำลังตีลูกครับเห็นไหมคิดฝุงซ่านะคนอีกสองคนเป็นคนในยุคสมัยของพวกเราเลยเดินผ่านแผงสลากถนนราชดำเนินเห็นสละกกินแบ่งวางเรียงเป็นตับคุยกันถ้าแกถูกรางวัลที่หนึ่งแกจะทำยังไง ฉันว่าฉันจะสร้างถนนนะแต่ไม่ให้เด็กมาแข่งรถสิ่งนะฉันจะสร้างถนนอย่างดีเลยตัดนู้นจากปากซอยมาถึงบ้านฉันอย่างดีและแกถ้ากระถุนวันที่หนึง่งแกทำยังไงฉันจะซื้อ m มอร์ d e s b สเบนเอาเ้าแกซื้อเมอร์เ e s b e n บนแล้วแกให้ฉันนั่งด้วยไหมเา้าเรื่องอะไรจะให้แกนั่งทางงั้นแกห้ามขับผ่านถนนฉันนะ อ้าวถนนมีไว้ทําไมก็มีไม่ให้รถผ่านฉันก็ต้องขับรถบนถนนแกสิไม่ได้แกยังไม่ให้ฉันนั่งรถเลยเอาไปเอามาชกปากเลยเลือดกบปากทั้งคู่คําถามก็คือทั้งคู่ยังไม่ได้ซื้อสลักกินแบ่เลยมันชกกันแล้วอะ่ะถนนก็ยังไม่ได้ตัดรถก็ยังไม่ได้ซื้อแต่เลือดออกแล้วได้เลือดคิดฟุ้งซ่านคนทั่วไปเป็นอย่างนั้นเคยไหม ประจำเลยสองคิดตามสัญชาตญาณคิดตามสัญชาตญาณคิดยังไงคิดตามสัญชาตญาณเราตามภาพไปต่างจังหวัดมามีเด็กกลุ่มหนึ่งไปปฏิบัติธรรมไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิเข้าค่ายสามวันแล้วปรากฏว่าเด็กต่อยกันจนตาย ทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าพระอาจารย์เนี่ยฝึกเด็กหนักเกินไปเอากับข้ามาวางข้างหน้าทรมานเนี่ยหิวหนอะกินส้มตำไก่ย่างลอยมาแลวเด็กมันไม่เคยมีพื้นฐานเลยนะอาจารย์ก็บอกหิวหนอะเด็กนมันน้ำลายซองเลย พอถึงเวลาตักอาหารด้วยความหิวและเด็กไม่มีประสบการณ์เรื่องธรรมะกำลังจะตักซ้มตามเพื่อนมาลัดคิวนะหันไปชกเพื่อนเลยแล้วหมัดหนักมากหมัดเดียวเท่านั้นเพื่อนหลับกลางอากาศโรงเรือนเอาไปส่งโรงพยาบาลคืนต่อมาเด็กคนนั้นเสียชีวิตเลยปฏิบัติธรรมและชกกันตายผลงานชิ้นโบดแดงของพระอาจารย์ ทำไมเขาชกก็เพราะว่าเด็กคนนี้หิวไม่หิวแล้วก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้คิดเจ็บใจที่เพื่อนมาตัดหน้าตักอาหารก่อนอันนี้เรียกว่าคิดตามสัญชาตญาณการเอาตัวรอดคือถูกความหิวกระตุนนะ้น่ะก็คิดตามความหิวของตัวเองอยากทานข้าวมีคนมาตัดหน้าก็เลยแก้ปัญหาด้วยการชกเพื่อนหน่อย เขาคิดไหมเขาก็คิดคิดตามสัญชาตญาณถูกความหิวกระตุน้นถูกความกระหายกระตุน้นถูกสัญชาตญาณการเอาตัวรอดกระตุน้นหรือข่าวหนังสือพิมพ์เร็วๆนี้พ่อคนหนึ่งกระทําชําราลูกสาวเป็นพ่อกระทํำจำเราลูกนี่ก็หนักหนาสหัสแล้วแต่สิ่งซึ่งชวนสะดุ้งยิ่งกว่านั้นก็ตอนที่นักข่าวรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งสัมภาษณ์ คุณเป็นพ่อทำไมชำเราลูกสาวสิ่งนี้หลายคนได้ฟังแล้วสะดุ้งสุดตัวคุณพ่อตอบว่าเขาเป็นลูกผมเาจะทำยังไงก็ได้สะเทือนไหมอันนี้ก็คือมนุษย์ซึ่งคิดตามสัญชาติตยานการสืบพันธุ์หกสัญชาติตยานดำริศนากระตุน้นไม่เว้นแม้กระทั่งเลือเดเนื้อเชื้อไขของตัวเองแล้วทุกวันนี้คนคิดอย่างนี้มากขึ้นทุกที 3. คิดตามการบ่งการของกิเลสกิเลสใหญ่ๆระดับหัวหน้าพักเลยราคะโทสะโมหะราคะโทสะโมหะราคานี้ถ้าเป็นใช้สำหรับชาวบ้านพระพุทธเจ้าจะเรียกชื่อว่าโลภะครั้งหนึ่งเคยอ่านหนังสือพิมเมื่อต้นปีนี้เองที่สี่แยกเกษตร จะมีขมโมยไปดักอยู่แถวนั้นแล้วก็ชิงมือถือแล้วขมโมยขมโมยหรือโจรกลุ่มนี้ก็แปลกมากมีอยู่รายหนึ่งใช้เม็ดดาบวิ่งไปฟันเจ้าทรัพย์ผู้หญิงคนนั้นถือโทรศัพท์มือถือรอรถประจําทางอยู่ฟันมือขาดเลยมือนั้นยังถือโทรศัพท์มือถืออยู่นะแล้ววิ่งหนีตํารวจตํารวจจับได้ ตำรวจถามว่าทำไมคุณต้องไปฟันที่มือเค้าเจ้ามหาวยร้ายตอบว่าผมไม่เห็นมือครับผมเห็นแต่มือถือนีม่มันคิดตามอะไรคิดตามบงการของกิเลสคือความโลภความโลภบังตาแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้เช้าวันนี้อ่านหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเจออีกแล้วคิดตามกิเลสคุณปู่คนหนึ่งเป็นถึงนาวาเอกนะอายุแปดสิบ ตื่นเช้ามาจะไปตัดบาดเรียกลูกชายมาบอกให้ขับรถไปส่งลูกชายบอกไม่ไปผมเหนื่อยมากเนี่ยเพิ่งเอารถกลับเข้ามาขอนอนก่อนปู่ก็เลยบอกว่าถ้าไม่ไปกูยิงมึงนะลูกชายก็เถียงว่าคนเป็นพ่อลูกเขาไม่พูดกันอย่างนี้หรอกแล้วคุณปู่ซึ่งเป็นคุณพ่อเนี่ยโกรธมาก นอกจากไม่ไปแล้วมันยึงขึ้นเสียงลูกชายผ่านไปหลังบ้านไปหาบ้านข้างเทียงเป็นพลเรือโทบอกว่าคุณลุงครับมาช่วยห้ามพ่อผมหน่อยคุณลุงซึ่งเป็นพลเรือโทก็เข้ามาในบ้านบอกว่าคุณลูกมันเหนื่อยให้มันได้พักบ้างแกมันยุ่งเรื่องอะไรของชาวบ้านคุณพ่ออายุแปดสิบ เอาปืนจุดสามแปดยิงลูกชายลูกปืนตะลุหายปลาระคนรัวโทนยืนไกลเกลียอยู่ด้านหลังทะลุหายปล ร, ารา้าถูกเข้าที่หน้าผากล้มลงขาดใจตายในอีกสองชั่วโมงต่อมาพอเห็นเหตุการณ์เป็นอย่างนั้นคุณพ่อหรือคุณปู่อายุแปดสิบวิ่งกลับเข้าห้องเอาปืนเล่มนั้นกระบอกนั้นยิงตัวตายวันนั้นตายสองศพสาหัสหนึ่งศพ ซึ่งก็คือข่าวของหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้อันนี้คือความคิดตามวงการของกิเลสคิดตามอะไรคิดตามโทสะหรือคิดตามความโกรธพอความโกรธมันครอบงำแล้วเนี่ยคนเราสติปัญญาเฉียบแหลมยังไงก็ควบคุมตัวเองไม่อยู่สุดท้ายก็ตกเป็นทาสของความโกรธล้วก็มาเสียชีวิตด้วยเหตุอันไม่สมควรอย่างนี้นาวาเอกคนหนึ่งพอเรือโทคนหนึ่ง ถ้ามองว่าคนคนหนึ่งกว่าจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาจนกินยศนายคนขนาดนี้เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ปกครองคนมาเท่าไหร่แต่ไม่สามารถปกครองตัวเองให้รอดพ้นจากภัยคือความโกรธได้เพราะคิดไม่เป็นคิดตามอารมณ์โกรธสี่คิดตามสภาพแวดลอ้อมคิดตามสภาพแวดลอ้อมคนกรุงเทพในี่เห็นชัดที่สุดเราแข่งแย่งแข่งขันกัน ทำให้ต้องปากกัดตีนทิพย์สมภาพเลิกขึ้นรถเมย์ก็เพราะคนกรุงเทพเนะี่ยเป็นเนนน้อยไปเรียนหนังสือคันไหนเต็มเราก็ไม่ขึ้นมีอยู่วันหนึ่งก็ได้ขึ้นไปนั่งแต่กว่าจะได้นั่งหนักหนาสาหัสเลยพอขึ้นไปถึงที่นั่งที่เขาเขียนไว้ว่าที่นั่งสำรองสำหรับพระภิกษุสามเณรมีคนจับจอง เขาไม่จักจองธรรมดานะเขาหลับด้วยเป็นหลับการเมืองแล้วเราตัวเล็กๆนี่จะเอาอะไรไปปลูกเขาล่ะขึ้นไปแล้วก็โหนสิน่าสงเวทเดือยมากก็ยืนจอยอยู่อย่างนั้นแล้วคนทั้งคันรถไม่มีใครช่วยเราสักคนเลยนะไม่ลุกเลยเพราะอะไรทุกคนกว่าจะได้ที่นั่งมาก็แทบเลือดตากระเด็นใช่ไหม โดยเป่ารถในเดินมาจากข้างหลังปลุกคนคนนั้นให้ตื่นแกก็งัวงเงียตื่นขึ้นมาลุกที่นี่ที่นั่งพระที่นั่งพระแล้วไงพูดอย่างนี้ในลําบากพระเลยนะเพราะคนในรถก็มองว่าพระเป็นตัวปัญหาแทนที่จะมองคนคนนั้นไม่มองนะมองมาที่พระเลยเพราะอะไรสีไม่เหมือนเขาอะนอกนั้นเขาเสื้อลายสีเหมือนกันหมดเลยเนี่ยเรานี่สีไม่เหมือนใครเลยตัวปัญหามาอีกละ กระเป่ารถเมยก็บอกถ้าไม่ลุกนะมีเรื่องนะเขาก็พูดเน่ยผมไม่สบายไม่สบายทำไมไม่ไปโรงพยาบาลกำลังไปอยู่นี่ไงเตรียมเหตุผลไว้เลยฉลาดมากนะเขามีชุดเหตุผลของเขาเรียบร้อยสำหรับเอาไว้ตอบเวลาคนถามแล้วพอมันเถียงกันอื้อองทีทุกทีเนี่ยคนก็มองเราอลุกต่ไม่ลุกผมชกเนะีย สุดท้ายก็โซสซัดโซเซลุกลุกเสร็จแล้วมันก็มองกระเป๋ารถเมยเสร็จแล้วเราก็ไปนั่งเรานั่งเสร็จแล้วมันก็มองเราตั้งแต่นั้นมาอยู่กรุงเทพเก้าปีแล้วไม่ขึ้นรถเมยอีกเลยพระเดชพระคุณไม่อยากให้สัตว์โลกเดือดร้อนนี่คือคนกรุงเทพคิดตามสิ่งแวดล้อมสังคมมันเร่งรัดบีกตัว ทำให้เราต้องเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่มนุษยชาติไม่เห็นแก่พระเถรเนรชีใครดีใครได้คิดกันอย่างนี้มาโดยตลอดแล้วก็ต่อมาประการที่ห้าคิดตามสิ่งเราคิดตามสิ่งเราอันนี้เป็นภาษาจิตวิทยาภาษาธรรมะเนี่ยก็เรียกว่าคิดตามสิ่งที่มายั่วเรามีโทรศรัพท์มือถืออยู่แล้วเครื่องหนึ่ง นั่งดูโทรโทรัศน์เห็นพิเซนเตอร์นําเสนอมือถือโทรศัพท์รุ่นถ่ายรูปได้ดึงของเราขึ้นมาเปรียบเทียบไม่เข้าท่าแล้วรุ่นเนี้ยมีโทรทัศน์อยู่เครื่องหนึ่งยี่สิบนิ้วดูอยู่ด้วยกันมาสองสามปีสักพักหนึ่งเพื่อนบ้านซื้อโทรทัศน์จอแบนรุ่นใหม่เข้ามากลับไปมองโทรทัศน์ตัวเองนี่มันชักไม่เข้าท่า เห็นของใหม่ๆดีกว่าทั้งทั้งที่ก่อนหน้านั้นก็ไม่ทุกข์นะแต่เห็นของใหม่ใหม่ดีกว่าปุ๊บเกิดการเปรียบเทียบทุกเพราะอะไรทุกเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมาล่อหูล่อตาคิดน้ำสิ่งเร้านี้อันตรายมากถ้าไม่เจริญสติจะทุกข์หนักเพราะอะไรอาตรมาค้าไปบรรยายที่ต่างจังหวัดแห่งหนึ่งโรงเรียนหลังเขาเลยนะคำว่าหลังเขานี้ไม่ใช่สัมโนนะ่ะ แต่มันตั้งอยู่หลังเขาจริงๆนักเรียนแปดร้อยกว่าคนผู้อำนวยการโรงเรียนมาบอกว่าท่านครับผมมีปัญหามากเลยเด็กไม่ตั้งใจเรียนเพราะอะไรเพราะว่าผมสอนไปก็ได้ยินเสียงเด็กกดโทรศัพท์มือถือบ้างเล่นเกมบ้างโหลดริงโทนบ้างแล้วทุกคนเนี่ยนะทำตามนโยาาบายรัฐบาลหมดเลยหนึ่งคนหนึ่งมือถือ ถ้าไม่ได้ถือมือถือไปโรงเรียนมันเรียนไม่รู้เรื่อง <c oughs> เด็กคนหนึ่งมาบอกอาจารอย่าไปซีเรียสเลยเขาเรียกว่าเฮลโฟน o r ร์เอ็ดูเคชันโอ้เหตุผลมันเลิศโทรศัพท์เพื่อการศึกษาไทุกวันนี้พ่อแม่จึงต้องจ่ายค่าโทรศัพท์มือถือแพงกว่าจ่ายค่าเทอมลกูลกๆตื่่นนนเเเชช้้าาาากออไไไปโรรรงงียาาทหม แต่ขอกาแฟถ้วยหนึ่งทำไมดื่มกาแฟแล้วรู้สึกมีรสสนิยมไปเอาความเชื่อนี้มาจากไหนโทรทัศน์นี่คิดตามสิ่งเรามันมาเราความอยากเราหูเราตาเราเราสวดประสาทของเราแล้วเราก็เราตามมันไปแม้แต่ผู้หญิงจะคบผู้ชายผู้ชายดีๆหนูไม่ชอบทำไมมันไม่เราใจ เป็นอย่างนั้นจริงๆนี่คือโลกของคนไทยโลกของวัยรุ่นคิดตามสิ่งเราทางประสาทสัมผัสพอไม่เจริญสตินี่จะยิ่งยุ่งหนักต่อไปหกคิดตามระบบความคิดคิดตามระบบความคิดก็คือว่าเราเชื่อมั่นในศาสนาไหนก็ตามเชื่อมั่นในลัที่ไหนก็ตามเราก็คิดตามศาสนานั้นสอนเช่นศาสนาบางศาสนาสอนว่า การที่เราฆ่าคนนี่ไม่บาปเพราะเพราะว่าตัวคนเนี่ยแท้ได้จริงแล้วก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งตัวคนไม่มีมีแต่กระบวนการตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าเธอปืนไปยิงคนมันก็แค่กระสุนลูกหนึ่งวิ่งผ่านธรรมชาติไปเอามีดดาบไปฟันคอคนขาดก็ไม่มีคนตายอะไรสิ่งนั้นไม่ใช่คนมันเป็นธรรมชาติ คนที่เชื่ออย่างนี้เนี่ยทำบาปโดยไม่รู้สึกผิดได้ไหมได้และกําลังอันตรายมากๆบางศาสนาสอนไม่ให้ไหว่พ่อไหว่แม่สอนไม่ให้เคารพในพระคุณพ่อพระคุณแม่เพราะอะไรเพราะบอกว่าที่เธอเกิดมาเป็นคนเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดหรอกพ่อแม่ก็แค่อยู่ด้วยกันชั่วครั้งชั่วคราวสนุกสนานไปแล้วมันบังเอิญมีเธอหลุดออกมา เพราะฉะนั้นพ่อแม่ไปได้มีบุญมีคุณอะไรเชื่อไหมว่าคําสอนแบบนี้ก็มีอยู่ในโลกแล้วมีเด็กๆยุคสมัยนี้เชื่อด้วยพอไปเชื่อเขาก็ไปคิดแบบนั้นแล้วเขาก็ทําแบบนั้นกับคุณพ่อคุณแม่เข า, ไ ม, มาไม่เชื่อมั่นไม่เคารพคุณพ่อคุณแม่นี่ก็คือวิธีคิดตามระบบความคิดหรือคิดตามความเชื่อคิดตามศาสนาคิดตามลัทธินิกายต่อไปคิดตามทฤษฎีประการที่เจ็ดคิดตามทฤษฎี คนที่เป็นนักการตลาดมาฟังพระพูดโอ้โหพูดดีขนาดนี้ก็ปีซีดีขายรวยไม่รู้เรื่องหรือคิดแบบนักการเมืองเห็นคนมาประท้วงเยอะๆมันต้องมีเบื้องหลังปล่อยหมากัดมหนเลยประชาชนธรรมดาก็ถูกหมากัด หรือคิดแบบนักการเมืองเห็นนายกรัฐมนตรีจามแค่ได้ยินเสียงจามมันยังลุกขึ้นมาค้านเลยจามไม่ถูกกราเทศนี่คิดตามตามอะไรตามทฤษฎีต่างๆซึ่งถูกสั่งสมมาเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเห็นไหมว่าเขาไม่ได้คิดตามระบบสติปัญญานะมองอะไรก็มองตามกรอบที่ตัวเองเรียนรู้มาทั้งหมดแล้วต่อไปแปด คิดตามประสบการณ์คิดตามประสบการณ์ก็เป็นปัญหามากเช่นเราเคยได้ยินมาตลอดนะว่าถ้าเราไปที่ประเทศอินเดียเห็นแขกกับงูให้ตีใครก่อนตีแขกก่อนตีงูและมีวันหนึ่งก็มีครุทัวกรุฑหนึ่งไปไหว้พระที่สังเวชใยสถานสีพระซึ่งเป็นมัรคุเทศท่านก็พูดขึ้นมา ก็บอกว่าถ้าเห็นแขกกับงูนะให้ตีแขกก่อนคนขับรถเนี่ยเขาเจอกลุกทัวไทยบ่อยมากจนฟังออกเลยเสร็จงานนั้นแล้วเขาฟ้องเลยท่านต้องไปขึ้นศาลขึ้นอยู่เป็นสิบครั้งกว่าจะยอมความกันได้เพราะอะไรการพูดอย่างนั้นคือการหมิ่นประมาทเขาอย่างแรง เรื่องนี้ท่านเจ้าอาวาสวัดไทยที่ประเทศอินเดียเล่าให้ฟังเลยเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าพูดอย่างนี้พูดในประเทศไทยได้แต่อย่าไปพูดที่โน่นฮะระวังนะท่านจะต้องขึ้นศาลนะเนี่ยก็คือคิดตามประสบการณ์เราได้รับถ่ายทอดประสบการณ์มาต่อต่อกันมาพอมาเจออย่างนั้นเราก็พูดไปโดยไม่คิดหรือเด็กคนหนึ่งถูกงูกัดพอรู้ว่า ง, งูกัดเท่านั้นเองร้องโอ๊ยล้มล ง, ล ง, ล ง, ลงไปดินพัดประพั ด, พดน้าซีดเลย จะเป็นจะตายหายใจโรเรียนโทรไปบอกแม่แม่หนูถูกงูกัดคงไม่ได้เจอแม่และพูดจะไม่ทันขาดคำหลับเลยเพื่อนนำส่งโรงพยาบาลหมอใหญ่มาถึงตรวจชีพจรตรวจอยู่สักพักนัง่งหมอก็บอกว่าหนูงูได้กัดหนูเนี่ยงูไม่มีพิษนะลุกขึ้นนั่งเลยขากลับข้างมาได้มาเปลเลยนะขากลับออกไปเดินตัวปลิวเลยเพื่อนก็งงหมอก็งง เอ้าแล้วทำไมเมื่อกี้ตอนเข้ามานี่มันคลางอ้ย อ, อยมาเลยทำไมเป็นงั้นละ่ะเธอก็บอกว่าเอ้าก็ไม่รู้สิเวลาคนอื่นถูก ง, งูกัดก็เห็นเขา ล, ล้มในทุกทีเลยเนี่ยไปตามฟอร์มดูหนังฮอลลีวูดบ่อย ง, งูกัดปุ๊บต้องอุย้ยนิ่งไปเลยนี่คิดตามประสบการณ์ประสบการณ์ของเราประสบการณ์ของคนอื่นไม่ได้ใช้ปัญญา ต่อไปเก้าคิดตามกระบวนการแห่งความสัมพันธ์คิดไม่ใช่คิดตามคิดข้ามคิดข้ามกระบวนการแห่งความสัมพันธ์ภาษาเด็กแนวเขาเรียกว่าคิดข้ามช็อตคร่านแนวพูดก็ได้นะคิดข้ามช็อตเช่นทํำยังไงเด็กคนหนึ่งไปซื้อก้ากุหลาบมาเป็นสิบสิบต้นเลยเอาไปปลูก พอปลูกแล้วไม่มีคนมาซือ้อไม่สบายใจไปบอกแม่เห็นัหมปลูกกุหลาบไม่เห็นได้อะไรเลยแม่ถามว่าแล้วลูกอยากได้อะไรเอาปลูกกุหลาบก็ต้องได้เงินสิแม่บอกบ้าหรอลูกปลูกกุหลาบนะต้องได้ดอกกุหลาบสิใช่ั้มนั่นแหละคนทั่วไปมันจะคิดข้ามช็อตอย่างนั้น E. เรามาฟังธรรมะบางคนบอกว่าวันนี้ไม่คุ้มค่าเลยทำไมไม่คุ้มค่าหนังสือหมดก่อนอะเห็นเป้าหมายชัดเลยกิเลสมันหลบในแม่พอไม่ได้หนังสือแล้วงอนเชียวงอนทางวิชาการเหนือคิดข้ามช็อตมาฟังธรรมะก็ต้องได้ธรรมะสิ หนังสือทั้งหลายซียดีทั้งหลายเป็นของแถมใช่ไหมนี่คือคิดข้ามความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยต่อไปก็ประการที่สิบคิดแบบวิทยาศาสตร์คิดแบบวิทยาศาส ต, ต, ตร์เนี่ย ด, ดีมากพอๆพอกับที่เสียมากนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อมั่นในเรื่องทางวัตถุนักวิทยาศาสตร์กลุ่มเวียนนาเซอร์คัเน่ยกลุ่มเวียนนาเซอร์คัน เขาตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วให้บทสรุปไว้อย่างหนึ่งว่าสิ่งใดๆก็ตามจะมีความหมายในทางวิทยาศาสตร์ต้องสามารถชั่งตวงวัดได้เอาเข้าห้องแลบได้อธิบายได้แนวคิดแบบนี้เป็นที่มาของรลัฐทีวัตถุนิยมทำให้คนส่วนใหญ่ประเมินคุณค่าของสิ่งต่างๆเฉพาะที่เป็นวัตถุเท่านั้น เพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เนี่ยไม่สนใจเรื่องนิพพานไม่สนใจเรื่องลึกซึ้งในทางจิตใจเขาสนใจแต่ในเรื่องเชิงวัตถุซึ่งมองเห็นได้และก็เป็นรูปธรรมเอาเข้าห้องแลบได้พุทธศาสนาเกิดที่ประเทศอินเดียมันยังหายจากอินเดียได้เลยนะศาสษาอะไรกับเมืองไทยมันจะหายไม่ได้ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ในโลกของนักวิทยาศาสตร์เขาหันมาสนใจแล้วเราเป็นเจ้าของขุมทรัพย์ขุมภูมิปัญญาระดับโลกเนี่ยเราต้องเจาะให้ถึงก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้เจาะให้ถึงอีกแล้วประการที่สิบอ ว, วิธีคิดแบบไสยศาสตร์ลูกศิธิ์อัตมภาพบอก ว, ว่าวิธีคิดแบบเสือศาสตร์เสือศาสตร์คืออะไรปูและนอน สยศาเนี่ยแปลว่านอนหรือหลับศาสตร์ก็คือความรู้ไสยศาสตร์คือความรู้ของคนที่ยังอยู่ในอาการสลึมสลือหลับหลั บ, ลบตื่นตื่นวิธีคิดแบบไสยศาสตร์รุ่งเรืองมากในสังคมไทยแม้กระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เข้าทำงานวันแรกไปบวงสูวงพระพรหก่อนแปลกไหมพอใครไปวิจารณ์ท่านท่านก็บอก ไม่เชื่ อ, อยาลบหลูเพราะคำว่าไม่เชื่ อ, อยาลบหลูเนี่ยสังคมไทยจริงเป็นสังคมซึ่งถูกหลอกมาโดยตลอดนะเชื่อไหมเราถูกใครหลอกเราถูกนักการเมืองหลอกถูกนักลงทุนหลอกถูกพระอรชีหลอกตบทรัพย์ไปสร้างอะไรแพงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์หรอก ถูกผู้สร้างหนังสร้างหนังไม่ดีเท่าไหร่แต่โฆษณาดีๆหลอกแล้วเราก็แห่ไปดูกันเพราะอะไรไม่เชื่อต้องไปดูเองเห็นไหมมันได้ประโยชน์จากไม่เชื่ออย่างรูนะ้ลูนเนี่ยคือวิธีคิดซึ่งหนึ่งอันตรายมากๆทำให้กระบวนการพัฒนาปัญญาในสังคมไทยไม่ค่อยเจริญเพราะวิธีคิดแบบสายศาสตร์คนทั่วไปก็คิดกันสิบเอ็ดวิธีอย่างที่กล่าวมานี้เอาละ ทีนี้เรามาดูวิธีคิดแบบพุทธกันสิบเอ็ดวิธีเนี่ยเป็นวิธีคิดแบบสเป ส, เ ป, สปะทีนี้วิธีคิดแบบพุทธเป็นวิธีคิดซึ่งคิดเมื่อไหร่ได้ประโยชน์เมื่อนั้นวิธีคิดแบบพุทธหรือวิธีคิดตามหลักพุทธธรรมมีเยอะมากแต่ธรรมภาจะไม่พูดทั้งหมดจะยกตัวอย่างมาพูดซัก หกเจ็ดวิธีแล้วแต่เวลาจะอำานน่อยหนึ่งคิดแบบอริยสัจหรือคิดแบบแก้ปัญหาคิดแบบอริยสัจหรือคิดแบบแก้ปัญหานี้ก็มีแนวคิดหลักๆอยู่ว่าทุกปัญหาย่อมมีเฉลยทุกปัญหาย่อมมีเฉลยหรือทุกคำถามย่อมมีคาตอบ เพราะฉะนั้นใครที่ทำงานใครที่ใช้ชีวิตแล้วมีปัญหาขอบอกว่าอย่าเพิ่งยิงตัวตายนะทุกปัญหามันมีเฉลยนะอยู่รอเฉลยก่อนวิธีคิดแบบริยาศัสตร์เป็นวิธีคิดซึ่งชาวพุทธต้องรู้จักและนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกยกย่องพระพุทธเจ้ามากก็เพราะวัานี้คือวิธีคิดซึ่งเป็นสากลใช้ได้ตลอดการวิธีคิดแบบริยศสตร์มีอยู่สี่ขั้นตอนหนึ่ง ทุกสองสมุทัยสามนิโรธสี่มรรคเอาวิธีคิดแบบอริยสัจสี่นี้ไปใช้ได้ยังไงถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาในชีวิตให้กำหนดรู้ว่าความทุกข์ที่เราเจออยู่นี้มันคืออะไรแน่ทุกเราต้องกำหนดรู้ต้องศึกษามัน แต่คนส่วนใหญ่เวลาเป็นทุกข์เวลาเกิดปัญหาเนี่ยหลอมรวมตัวเองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาแทนที่ทุกข์จะมีไว้สำหรับเห็นก็กลับการกลายเป็นทุกข์มีไว้สำหรับเป็นคนซึ่งไม่รู้จักกาหนดท่าทีต่อทุกข์หรือปัญหาอย่างถูกต้องเปรียบเสมือนคนซึ่งเดินไปและเหยียบตะปู ตะปูที่ทิ่มลงไปที่ผืนเท้าของเราทำให้เราทุกข์แต่พอแก้ปัญหาไม่เป็นแทนที่จะดึงตะปูออกไปหาค้อนมาย้ำหัวตะปูหนักเข้าไปอีกเป็นดับเบิลทุกข์ทุกข์ซับซ้อนเพราะไม่รู้จักวิธีแก้ทุกข์ดังนั้นเมื่อเกิดทุกข์ขึ้นในชีวิตให้เรากำหนดดูศึกษาให้ชัดว่าที่ว่าทุกทุกทุกนี้มันคืออะไรแนะ่ สองกำหนดให้ชัดแล้วศึกษาต่อไปว่าสาเหตุมันอยู่ตรงไหนตามสาเหตุมันเข้าไปสามเราค้นพบสาเหตุแล้วดูที่ว่าจะแก้มันยังไงตั้งสมมุติฐานขึ้นมานี้คือนิโรธตั้งสมมุติฐานเสร็จแล้วถ้าตั้งค้างเอาไว้ก็ไม่เกิด อ, อะไรขึ้นก็ต้องลงมือแก้ทุกนั่นก็คือมักหลวงพ่อช า, า, าท่านอธิบายง่ายกว่านี้มาก มีชาวบ้านคนหนึ่งไปหาท่านท่านสอนอริยสัจสี่แบบภาษาชาวบ้านท่านถามว่าโยมเคยเลี้ยงควายไหมเคยครับเวลาจูงควายไปแล้วเชือกของโยมเนี่ยมันไปคล้องอยู่ที่ต่อโยมยุ่งหัวใจไหมหอยุ่งครับท่าน แล้วจะทํำยังไงมันถึงจะแกะเชือกออกเราต้องสาวเชือกไปสิครับไปดูว่ามันติดอยู่ที่ตอไหนหลวงพ่อบอกนั่นคือสมุทัยตามไปแล้วเอาทีนี้ไปเจอแล้วว่ามันติดอยู่ที่ตอไหนทํำยังไงก็มีสองอย่างหนึ่งถ้าไม่คายปมก็เอามีดตัดที่เชือกโต๊หลวงพ่อบอกนั่นนิโรธและทีนี้ตัดเชือกออกได้แล้วเป็นยังไงโล่งไหมโล่งครับตัดเชือกได้เพราะอะไรก็นนะ้ามือโยมนั่นแหละนี่คือมัด ทุกสมุทัยนิโรธมักหลวงพ่อชาสอนคนเลี้ยงควายอย่างได้เลยเพราะฉะนั้นแก่นของวิธีคิดแบบอริยสัจก็คือเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในชีวิตขอให้เราตั้งต้นกำหนดให้ชัดว่าหนึ่งอะไรคือตัวปัญหาสองสาเหตุมาจากอะไรและสามจะแก้ได้ไหมสี่ลงมือแก้ปัญหา ทุกๆปัญหามีสาเหตุทุกๆสาเหตุก็มีทางออกและทุกๆ ท, ทางออกนี้รอให้คนมาเปิดเผยให้เห็นเท่านั้นเองนี่คือวิธีคิดแบบอริยรสัจสรุปเป็นแนวคิดง่ายๆก็คือทุกปัญหาย่อมมีเฉลยปัญหามีไว้แก้ไม่ใช่มีไว้แบกทุกสําหรับเห็นสุขสําหรับเป็นต่อไปคิดแบบสืบสาวเหตุ ป, ปัจจัย คิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยนี้กล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่าปรากฏการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกและในชีวิตของเราล้วนมีที่มาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพบอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์มันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆนะมันมีที่มาทั้งหมดเลยแต่เราก็ไม่ค่อยคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยหรอกเพราะอะไรก็เพราะว่าคนส่วนใหญ่จะคิดแบบผิดๆ สามวิธีหนึ่งคิดแบบแล้วแต่กรรมเก่าสองคิดแบบแล้วแต่พระเจ้าบันดาลและสามคิดแบบแล้วแต่โชคชะตาจะพาให้เป็นไปเด็กคนหนึ่งเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องกลับไปที่บ้านบ่นให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่าช่างมันเถอะ เรียนไม่รู้เรื่องกระชักมันกรรมของเธอทำมาแค่นี้เป็นไงล่ะงโงก่ก็แล้วแต่กรรมก็ปล่อยมันไปสือทำมาค้าขายถูกคนอื่นโกงแทนที่จะหาวิธีแก้ก็บอกตัวเองว่าทำไงได้ล่ะเราเกิดมามีกรรมทำมาค้าขายก็ไม่รวย ทั้งๆ ท, งที่ทุกๆปัญหามันมีสาเหตุแต่เพราะเรามักจะโทษว่าแล้วแต่กรรมเราก็เลยยกให้กรมกกรมเก่ากรรมเก่ากรรมเก่านั่งทานข้าวกับลูกและภรรยาอยู่ดีๆรถสิบล้อพุ่งมาชนบ้านพังไปครึ่งหนึ่งเกือบเอาชีวิตไม่รอดไม่แจ้งความเพราะอะไรคงเป็นกรรมของผมคุณคือเจ้ากรรมนายเวรเพราะฉะนั้นผมไม่โกรธเห็นไห นี่วิธีคิดแบบกรรมเก่าเนี่ยมันจะทำให้คนเรายอมจำนนต่อชีวิตนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่อยากจะแก้ไขอ่ะอยากจะก้มหน้ารับกรรมตลอดแล้วคนไทยชอบมากนะก้มหน้ารับกรรมเนี่ยก้มหน้ารับกรรมแล้วชอบต่อไปคิดแบบแล้วแต่พระเจ้าบันดาลซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลวัด น, นี้ไม่ถูกไม่ไหว พระเจ้าไม่เข้าใจลูกช้างเลยก็ซื้อไม่ถูกยังไปยกให้พระเจ้านะแต่เวลาถูกนี่มันจะยกให้หลวงพ่อนะนี่คือฝากชะตากรรมของเตงไว้กับพระเจ้ากับสิ่งศักดิก์สิทธิ์คนไทยเนี่ยแปลกมากไปกราบหลวงพ่อโศทนอาธรรมภาพไปเจอมาล่าสุดเนี่ยโยมคนหนึ่งเอาลูกไปกราบหลวงพ่อเธอบอกว่าหนูมาทุกปีทําไมอ่ะก็เพราะว่าลูกคนเนี้ย หนูได้มาก็เพราะว่าขอหลวงพ่อหลวงพ่อช่วยถ้าจะไปช่วยให้คนมีลูกได้ยังไงเนี่ยแล้วแต่พระเจ้าบันดาล น, นะบางทีลืมนึกไปว่าพระในพระพุทธศาสนาเนี่ยช่วยให้คนมีลูกไม่ได้ยิ่งเป็นหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือพระพุทธเจ้าเลยนะไปยกให้พระพุทธเจ้าช่วยได้ยังไงเราลืมนึกไปบางทีเราก็อธิษฐานไปเรื่อยเปื่อย บางแห่งร้ายิ่งกว่านั้นเอาแว่นไปถวายหลวงพ่อแล้วให้หลวงพ่อสวมแว่นดำก็เป็นมาจนทุกวันเนี้ยเราก็เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมองไม่เห็นอธิบายไม่ได้แล้วก็ฝากชะตากรรมไว้กับสิ่งนะั้นพอทําอะไรไม่ประสบความสําเร็จก็บอกว่าพระเจ้าไม่เห็นใจมีเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆฝรั่งเขาเขียนเอาไว้ครั้งหนึ่งเกิดน้ําท่วมบ้านท่วมเมือง ชายคนหนึ่งเป็นคนที่ศรัท ธ, ธาในพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่มากพอน้ําท่วมเนี่ยเพื่อนเพื่อนพากันย้ายออกจากหมู่บ้านหมดเลยเธอไม่ย้ายเธออยู่ในบ้านพอดูน้ําท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆในระหว่างนั้นเนี่ยก็มีคนของรัฐบาลขับรถมามาต้อนคนในหมู่บ้านนั้นขึ้นรถเพื่อย้ายไปอยู่บนที่สูง พอมาถึงบ้านหลังนั้นชายคนนั้นบอกว่าไม่ขึ้นรถหรอกครับผมจะอยู่ที่นี่ทำไมเธอไม่ขึ้นรถล่ะผมรู้ว่าพระเจ้าจะช่วยผมรถเจ้าหน้าที่ก็ขี้เกียจรอก็ขับต่อไปต่อมาน้ำก็ท่วมสูงขึ้นถึงหลังคาแกขึ้นไปนั่งบนหลังคาเลยทีนี้ก็มีเรือขององค์การสาธารณกุศลมาเอาเรือมารับผมไม่ขึ้นหรอกครับเรือ ทำไมไม่ขึ้นน่ะเดี๋ยวน้ำมิดหลังคานะไม่ต้องห่วงผมไปห่วงคนอื่นพระเจ้าช่วยผมอยู่แล้วเรือก็ไปได้วยความหมันไส้สักพักหนึ่งน้ำมิดหลังคาเลยทีนี้ยืนเลยเอาละสิมีเฮลิคอปเตอร์บินมาย่อนบันไดลิงลงมาตะโกนผ่านโทระคงลงมาปีนมันไม่ขึ้นมาแกก็ตะโกนขึ้นไปผมไม่ปีนทาไมไม่ปีนเดี๋ยวพระเจ้าจะมาช่วยผม เท่านั้นเองเครื่องบินก็ไปบ้านอื่นอีกหนึ่งวันต่อมาคนคนนี้เป็นศพลอยไม่รู้ชะตากรรมทีนี้วิญญาณแกก็ขึ้นไปบนสวรรค์ยังโชคดีน่ะได้วิซาขึ้นสวนรรค์มาสวดมนต์บ่อยขึ้นไปถึงก็ไปอยู่ต่อหน้าพระเจ้าตัวจริงพระเจ้าถามว่าเอ๊ะคนอย่างเธอเนี่ยฉันดูในบัญชีแล้วขยันสวดมนต์เนี่ย ขยันสวดมนต์ไม่น่าตายนะแล้วทำไมถึงตายผมก็งงชีวิตครับท่านผมศรัทธาในพระองค์มากทำไมพระองค์ปล่อยให้ผมตายฉันไม่ได้ปล่อยให้เธอตายนะก็ตั้นถีอยู่นี่ไงครับท่านไม่ตายได้ไงไปต่อรองกับพระเจ้าเลยนะฉันไม่ได้ปล่อยให้เธอตายแต่ฉันเนี่ยเห็นว่าเธอขายันสวดมนต์เป็นาศาสนิกที่ดี พอเกิดวิกฤตครั้งแรกฉันส่งรถไปช่วยเธออ๋อเล ค, ครับครั้งที่สองวิกฤตนักขึ้นฉันส่งเรือไปช่วยเธอเอาทหารไปด้วยน้ำตาร่มไหลครั้งสุดท้ายฉันอุตส่าห์ไปเช่าเฮลิคอปเตอร์ไปช่วยเธอนะหมดเงินสวรรค์ไปเท่าไหร่อ้อ ค, ครับ เฮลิคอปเท่า์ใช่ไหมครับไม่น่าเลยสุดท้ายเรื่องนี้จบลงตรงไหนจบลงตรงที่พระเจ้าช่วยคนที่ช่วยตัวเองก่อนเสมาใช่ไหมไม่ใช่เกิดอะไรขึ้นก็รอให้พระองค์มาเราต้องช่วยตัวเองก่อนไม่ใช่รอมือแห่งปาฏิหาริคนส่วนใหญ่มักจะเชื่อพระเจ้าในทางที่ผิดๆทั้งๆ ท, ที่พระเจ้าไม่บอกเลยว่าฉันจะช่วยเธอแบบสําเร็จรูป พระเจ้าจะช่วยคนที่ช่วยตัวเองก่อนเพราะอะไรเพราะว่าถ้าพระเจ้าไม่ช่วยคนที่ช่วยตัวเองก่อนโลกนี้มีคนอยู่หกพันล้านคนพระเจ้าจะเวลาที่ไหนมาหลับมานอนมันทุกข์กันดังนั้นใช่ไหมวันวันหนึ่งเนี่ยสวรรค์ไม่เคยเงียบเพราะอะไรมันกึกก้องไปด้วยเสียงอธิษฐานเจ้าหน้าที่สวรรค์นเนี่ยเป็นมะเร็งเยอะหรือเกินเพราะอะไร กลิ่นธูปควันเทียนน่ะมันจุดธูปบนแล้วเกินอ้ยแค่ธูปจากเมืองไทยเนี่ยก็เป็นมะเร็งพอนะเนี่ยช่วยตัวเองก่อนแล้วจึงไปขอความร่วมมือจากพระเจ้าแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นก็ยกให้พระเจ้าต่อมาเราเชื่อแล้วแต่โชคชะตาจะพาให้เป็นไป คนเช่นนี้ก็เชื่อว่าอะไรจะเกิดมันก็เกิดอะไรที่มันจะไม่เกิดมันก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นเวลาเขายิงกันฉันก็จะเดินก็ไปถึงเวลาตายมันก็คงจะตายถึงเวลามันรอดกระสุนมันก็คงจะไม่ถูกเนี้ยคนไม่รักชีวิตทั้งหลายใช้ชีวิตแบบสเปสป่าเลื่อนลอยเหมือนกอสว่าไหลแว้งไปมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ปล่อยมันไป แทนที่จะคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยคนส่วนใหญ่คิดแบบแล้วแต่กรรมเก่าแล้วแต่พระเจ้าบรรดาลและแล้วแต่โชคชะตาจะพาให้เป็นไปแต่พระพุทธศาสนาจะสอนว่าปรากฏการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งความสุขและความทุกข์ล้วนมีที่มาอะไรบ้างในโลกนี้ไม่มีที่มาแม้แต่พระนิพพานซึ่งใครๆก็บอกว่าอยู่นอกเหนือเหตุปัจจัยก็ยังต้องมีที่มา นั่นก็คือถ้าพระพุทธเจ้าไม่ค้นพบชาวโลกจะรู้จักพระนิพพานไหมก็ไม่รู้จักมีก็มีอยู่อย่างนั้นไปนี่แหละดังนั้นเมื่อเกิดอะไรขึ้นในชีวิตขอให้เราคิดอยู่เสมอว่าความยุ่งเหยิงในชีวิตของเราปัญหาในชีวิตของเราความทุกข์ในชีวิตของเรามันต้องมีที่มาสิ่งนี้มีสิ่งนี้มันจึงมีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้มันจึงเกิดสิ่งนี้ดับอีกสิ่งนี้มันจึงดับ เพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาอย่าเพิ่งทุกข์นะสาวหาเหตุปัจจัยก่อนสาวตามมันไปต้นตอมันอยู่ที่ไหนตามไปให้ถึงต้นน้ำแห่งปัญหาแล้วเราจะค้นพบวิธีแก้คนส่วนใหญ่เวลามีปัญหาแทนที่จะคิดตามเหตุปัจจัยโยนให้กรรมเก่าโยนให้พระเจ้าโยนให้โชคชะตาจะพาให้เป็นไปปัญหาง่ายๆจึงแก้ไม่ได้แท้ที่จริงทุกๆปัญหาซึ่เกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์ เราสามารถจะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ทั้งหมดถ้าเราเข้าใจวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยมนุษย์ทุกคนซึ่งมีความทุกข์มีศักยภาพที่จะพ้นทุกข์ได้อย่างทัดเทียมกันแต่เขารู้ถึงศักยภาพตรงนี้หรือเปล่าใครรู้คนนั้นออกจากวัตตะแห่งความทุกข์ได้ใครไม่รู้ก็หลงวนอยู่ในเขาบ ง, โงโกตแห่งความทุกข์ต่อไป นี่คือวิธีคิดแบบศึกสาเหตุปัจจัยต่อมาวิธีคิดแบบมองโลกในแงด่ดีอันนี้ท่านทั้งหลายคงได้ยินบ่อยเป็นโ o สิท i ฟ t h i n n พูดกันบ่อยมากมองโลกในแงด่ดีแต่มองโลกในแง่ดีนี้มีสองอย่างหนึ่งมองโลกในแง่ดีแบบคนงโง่สองมองโลกในแง่ดีแบบคนฉลาด มองโลกในแง่ดีแบบคนโง่ก็คือสอบตกก็สอบใหม่ไม่เห็นเป็นไรเรียนนานๆได้ความรู้เยอะเนื่อมองโลกในแง่ดีไหมคือมันไม่ทุกนะสอบตกยังร้องเพลงเลยอันนี้ก็มองโลกในแง่ดีทําให้ไม่ทุกข์ก็จริงมันไม่ทุกในปัจจุบนันแต่มันจะทุกอีกสิบปียี่สิบปีข้างหน้าแท้ที่จริงเวลามองโลกในแง่ดีท่านบอกว่าต้องมองด้วยสติ ตัวอย่างของคนซึ่งมองโลกในแง่ดีนี้มีเยอะแยะมากมายเช่นพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าถูกต่างศาสนาหาเล่กล่าวร้ายพระองค์ให้นางจินจามานวิกามาแซงท ร, รมารยาบอกว่ามีคันกับพระองค์และอีกครั้งหนึ่งก็มีคนจ้างมบไปรุมด่าพระองค์เจ็คืนเจ็ดวัน พระอนนท์พระอนุชาของพระพุทธเจ้าในสงสารพระพุทธเจ้าในน้ำตาคลอหน่วยเลยอุย้ยเป็นถึงพระพุทธเจ้าก็ถูกม็บเขาดา่าแล้วเวลาเขาดา่าเขาไม่ใช่ดา่าธรรมดานะเป็นนักดา่ามืออาชีพจ้างมาเหมือนเราไปดูเกมโชว์เนี่ยเขาจะมีคนนําเกมถึงเวลาไหนจะปลอบมือเราก็ต้องปลบมือตาม นักด่าเหล่านั้นเขาจะด่าด้วยอกโกสวัตถุภาษาบาลีแปลว่าคําชุดสําหรับด่าใครโดนคําชุดสําหรับด่าชุดนี้เข้าไปนะอาจจะฆ่าตัวตายได้เลยแต่ไปด่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายิ้มเลยนะเพราะอะไรทรงมองโลกในแง่ดีมีคนไปด่าในพระพุทธเจ้า ทนรับสบายแต่พระอานอนท์รับไม่ได้พระอานอนท์ก็ไปถามว่าทํายังไงพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอานอนท์เธอก็คิดสิว่าเราเกิดมาแล้วเนี่ยอยู่ในสังคมเธอกับฉันคนทั้งโลกเกิดมาแล้วอยู่ในโลกมนุษย์เราเปรียบเสมือนช้างสืบก้าวลงสู่สงครามถ้าเราเป็นช้างก้าวลงสู่สงคราม ต้องพร้อมที่จะยอมรับสตราวุธจากทิศ ท, ทั้งสี่เพราะฉะนั้นเมื่อเราเก้าวลงสู่สงครามชีวิตเอากาเนิดเกิดกายมาไว้โลกสุขกับโศกมิได้พ้นอย่าสงสัยเพราะฉะนั้นมันมาอยู่แล้วก็ดอกไม้ก้อนอิดสุขโศกสมหวังผิดหวังเศร้าเสียใจเราต้องเจออยู่แล้วแต่ถ้าเราคิดว่าเราคือช้างสึกก้าวลงสู่สงครามหอกดาบแลเหลาพุ่งมาจากทิศ ท, ทั้งสี่ หน้าที่เราคือต้องอดทนต้องอดทนเราคือช้างศึกไม่ใช่ช้างติก๊กกอกตามข้างขวดเบี้ยต้องมันช้างพระจั ก, กรพรรดิน่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเจอก้อนอิฐกระเด็นข้ามมาเนี่ยยิ้มเลยไม่กลัวครั้งหนึ่งนั้นพุทธทาสถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์มีคนไปถามอ่าทาไมหลวงพ่อไม่ตอบโต หลวงพ่อบอกว่าเุ้ยหมาเห่าตีนช้างหมาเห่าตีนช้างช้างจะไปเตะหมาทําไมช้างมันยิ่งใหญ่กว่าหมามากใช่ไหมอาจารย์มัมคึกฤทธิ์ตาโมศก็เช่นเดียวกันในยุคที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนโยาบายเงินผันถูกวิจารณ์มากมีคนไปถามว่าทําไมคุณชายไม่โกรธคุณชายบอกว่าหมาเยี่ยวรถผูกเขาทองผูกเขาทองน่ะไม่สะเทือนหรอก นี่คือสุดยอดของการมองโลกในแง่ดีดครั้งหนึ่งมีพราหมณ์คนหนึ่งไปตะโด่าพระพุทธเจ้าด้วยคําชุดเลยพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ไม่ได้พุทธไม่ได้เกิดพิกุสุสอฟังแล้วสยองมากเลยโอโ้เล่นแรงมากเลยพระพุทธเจ้าบอกเออถูกต้องถูกต้องฉันไม่มันคนไม่พุทไม่เกิดจริงๆคนที่ไปด่าก็งงทําไมฉันด่าด้วยคําซึ่งแรงสุดๆแต่ทํำไมยิ้ม พระองค์ก็อธิบายกับพระสงฆ์ว่าที่เขาด่าว่าฉันเป็นคนไม่ได้ไม่ได้เกิดถูกต้องที่สุดเลยเพราะอะไรเพราะว่าชาตินี้เนี่ยกิเลสที่จะทำให้ฉันเกิดเนี่ยไม่มีแล้วฉันตัดมันขาดยังกระตาญยอดดุ้นเพราะฉะนั้นที่พูดมาเมื่อกี้ถูกเพ่งเลยคนที่ไปด่าพระพุทธเจ้าคิดใหม่เลยเอบอกว่าไม่พูดไม่เกิดดันชอบเอาอชุดหนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสุดยอดนักเผาผลาญเลย นักเผาผามเนี่ยพูดไงว่ารพระพุทธเจ้าเป็นนักวางเพลิงพระพุทธเจ้าก็บอกเออใช่ใช่เพลิงกิเลสมีเท่าไหร่เท่าไหร่ในฉันชวนภิกษุเผาไม่เป็นจุนหมดเลยผามก็คําด่าชุดที่สองก็เอาไม่อยอมคําด่าชุดที่สามพระพุทธเจ้าเป็นคนไม่มีรถไม่มีชาติไม่รู้จักเคารพยำเกรงใคร พูดง่ายๆว่าเป็นคนแสนน่าเบื่อนั่นเองพระพุทธเจ้าก็บอกใช่แล้วฉันเป็นคนไม่มีรสไม่มีชาติเพราะอะไรรูปรสกลิ่นเสียงที่จะทาให้ฉันหลงเนี่ยฉันตัดมันได้ขาดหมดเลยเพราะฉะนั้นฉันจึงเป็นคนไม่มีรสไม่มีชาติด่ายังไงเนี่ยไม่กระเทือนเลยมีแต่รับรับรับตลอดเพราะอะไรมองโลกในแง่ดี เพราะฉะนั้นถ้าเรามองโลกในแง่ดีทุกๆปัญหาที่ทังโถมก็มาเรามีความสุขมากครั้งหนึ่งอตาตรมาภาพไปออกรายการวิทยุมีคุณโยมคนหนึ่งโทรศัพท์เข้ามาน้ำตาไหลเลยท่านครับทุกมากเลยทุกอะไรโยมลูกเลยสิมันทุกยังไงทุกวันนี้มีลูกกับเขาคนหนึ่ง วันไหนถ้ามันขับรถออกจากบ้านนะดิฉันไม่เคยนอนตาหลับเลยกลัวว่ามันจะไม่กลับมาอีกสองเวลาเราพูดเราสอนอะไรแล้วมันเถียงคําไม่ตกฟากเลยทุกวันนี้ฉันอยู่กับลูกคนเนี้ก็เหมือนอยู่กับเจ้ากรรมนายเวรเราก็บอกมิหน้าล่ะท่านช่วยหน่อยอาตมาก็บอกเอาอย่างนี้ตั้งแต่นี้ต่อไป อยู่กับลูกคนนี้คุณโยมอย่าไปมองว่าลูกเป็นเจ้ากรรมนายเวรนะให้มองว่าลูกเป็นพญา ม, มารเอา้ามันไม่หนักกว่าเก่าหรือท่านเราก็บอกฟังก่อนให้โยมมองว่าลูกเป็นพญา ม, มารแล้วให้โยมก็นึกว่าตัวเองเป็นพระโพธิพสัตว์สิเป็นยังไง เอ้าโกรธให้พญามาเนี่ยมันร้ายยังไงเราก็คิดว่ามันมาช่วยเราบําเพ็ญบารมีทีนี้มันร้ายมาฉันก็จะบําเพ็ญบารมีแขังมันดูซิว่าจะเลี้ยงไม่ได้เช้าเดืลูกคนเดียวเนี่ยตั้งแต่นั้นต่อมานะเธอบอกว่าเลี้ยงหนุกสนุกมากท่านทําไมเอ้ามันใกล้งฉันฉันก็คิดว่ามันจะช่วยฉันบําเพ็ญบารมีมันยั่วให้โกรธฉันเลยไม่โกรธเลยนี่มีความสุขมาก เพราะอะไรเลี้ยงไปสนุกไปคิดว่ากําลังท้าทายธรรมะของตัวเองเห็นไหมมองลกในแง่ดีเท่านั้นเองเลี้ยงลูกอย่างมีความสุขเนี่ยมองโลกในแง่ดีก็เอาไปใช้ในชีวิตจริงๆได้เลยแต่พอมองว่าอู้ยมันเป็นคู่เวน้นคู่กรรมนั่งทาเข้าด้วยกันยังไม่มองหน้าเลยคิดดูแต่พอเปลี่ยนว่าเธอคือพญามารฉันคือพระโพธิสัตว์ทานเข้าไปลูกยัง่งรีมวดแม่ไปกด แม่ก็ขันติดนอไม่มีความสุขมากนัอยู่กับลูกแล้วก็สามารถเอาตัวรอดจากการที่ต้องมีวิกฤตกับลูกๆมาได้ทุกวันนี้คุณโยมคนนี้มาหาธารมภ า, ภาพมาช่วยเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือประทับใจในวิธีเลี้ยงลูกแบบคุณแม่มืออาชีพครั้งหนึ่งมีคนไปกราบถามหลวงพ่อพระพรมคุณาพรว่าท่านป่วยมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กท่านรับมือกับความป่วยได้ยังไง ท่านบอกว่าอตาตมาไม่ถือว่าความป่วยเป็นส่วนเกินเนความป่วยเนี่ยมันคือเพื่อนของอตาตมามันตามกันมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กแล้วเวลาป่วยทุกทีเนี่ยนะอตาตมาจะบอกให้ป่วยเมื่อไรได้ทำงานดีๆเมื่อนั้นยิ่งป่วยยิ่งได้งานนะแต่ของเราเนี่ยถ้าป่วยนะเป็นยังไงป่วยกายไม่หนักหรอกแต่ป่วยใจสุดลงไปบางทีไม่หนักเท่าไหร่ถือโอกาสอ้อนคนรักเลย เนี่ยพอชาวโลกเวลาป่วยแล้วเนี่ยป่วยกายปุ๊บก็จะป่วยใจซ้ำแต่พระเดชพระคุณท่านเนี่ยเวลาป่วยแล้วถือเป็นโอกาสทำงานแล้วนั้นก็อยู่กับความป่วยมาอย่างนี้ทั้งชีวิตยิ่งป่วยยิ่งได้งานมีหนังสือบางเล่มซึ่งท่านเรียกว่าหนังสือฉบับบตากับหูคือบางช่วงตาของท่านเนี่ยลืมไม่ได้เป็นต้อหมอให้ไปผ่าตาแล้วก็ปิดตา ถ้าเป็นเราเนี่ยาตาอยู่ในโลกมืดเป็นอาทิตย์เนี่ยก็คงทานข้าวไม่อร่อยแต่ของท่านเนี่ยเอาคุณหมอก็ปิดตาไปแต่ว่าปิดตานอกตาในของฉันยังสว่างโลรงก็ให้ลูกศิษย์อ่านต้นฉบับให้ฟังตรงไหนที่ไม่เข้าท่าท่านก็ตรวจแก้ทางปากหนังสือเล่มนั้นตีพิมพ์ออกมาท่านให้ชื่อว่าฉบับปากกับหูเก่งไหมลนะ่ะทั้งทั้งที่ป่วยก็ทางานได้ อยู่กับความป่วยอย่างมีความสุขเพราะท่านถือว่าป่วยกายแต่ใจไม่ป่วยนี่เองนักปราชญ์ผู้ใหญ่ของเราท่านพุทธทาสก็เช่นเดียวกันท่านเคยอยู่กับความป่วยนะเพราะฉะนั้นก็เรียนรู้ความป่วยตลอดเวลาป่วยหนักๆในนะคุณหมอในใจเต้นไม่เป็นสัมกัวท่านจะมรณาภาพแต่ท่านก็บอกว่าใจเย็นๆอาตมากําลังดูมันดูความป่วยว่ามันกระเทือนไปถึงไหน มีความสุขมากหลวงพ่อชาสุภัทโทพูดไว้คำหนึ่งท่านบอกว่าเวลาที่เราป่วยไขย้ไม่ใช่เวลาที่เราจะมาร้องโอดโอยแต่มันคือเวลาที่เราจะต้องรีบภาวนาเวลาป่วยไขย้คือเวลาที่จะต้องรีบภาวนายิ่งเห็นว่าวันเวลาในชีวิตเหลือน้อยเท่าไหร่ความตายกวดไล่หลังเข้ามาใกล้เมื่อไรรีบภาวนา คนหนึ่งไปถามท่านว่าไม่ค่อยมีเวลาเลยท่านเลยย้อนกลับว่าทุกวันนี้เนี่ยมีเวลาหายใจหรือเปล่ามีถ้ามีเวลาหายใจก็ต้องมีเวลาภาวนาเพราะภาวนาก็ใช้ลมหายใจนั่นเองเหล่านี้คือวิธีมองโลกในแง่ดีทั้งนั้นแหะคุณโย ม, มาไปใช้ได้ครั้งหนึ่งมีคนไปแกล้งหลวงพ่อทองรัตซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อชา ย, ยทีหนึ่งเขียนกล่าวหาท่านต่างๆนานา พระลูกศิษย์ได้อ่านแล้วเนี่ยสะดุ้งทั้งวัดเลยแต่พอหลวงพ่อทองรัตน์ได้อ่านท่านบอกว่าเอาบัตรส่นเทพนั้นไปวางไว้ที่โต๊ะมูแล้วเรามาช่วยกันกราบบัตรส่นเท่ลูกศิษย์ก็งงว่าทำไมต้องไปกราบบัตรส่นเทพเขาเขียนว่าหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าเธอรู้ไหมไอ้นี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าโล ก, กธรรม ลาบยศสันเติรนสุขเนินธาเสื่อมลาบเสื่อมยศเนินธาทุกสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดไว้ว่าคนทุกคนจะต้องเจอโลกกระทำทานที่เขาเขียนจดหมายด่าเราเนี่ยเขามาช่วยให้เราพบธรรมะข้อสำคัญไม่กราบก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนี่คือมองโลกในแง่ดี เราท่านทั้งหลายก็ต้องปลูกฝังวิธีคิดแบบนี้เอาไว้อะไรต่างๆซึ่งผ่านเข้ามาเนี่ยหัดมองโลกในแง่ดีอย่างชาญฉลาดอย่ามองแบบโง่ๆถ้ามองแบบโง่ๆเราจะถูกเขา เ, าเปรียบเราตลอดเวลาทีนี้วิธีคิดประการต่อไปเนี่ยเป็นวิธีคิดแบบอยู่กับปัจจุบันซึ่งวันนี้ทั้งวันตั้งแต่เช้าเนี่ยธรรมภาพเชื่อว่าเราท่านทั้งหลายได้ฟังวิธีคิดแบบอยู่กับปัจจุบันมาพอสมควร เพราะฉะนั้นก็จะไม่พูดถึงวิธีคิดนี้ยาวมากนักวิธีคิดแบบอยบู่กับปัจจุบันนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวิธีคิดแบบรู้ตัวทั่วพร้อมเคยรู้ตัวทั่วพร้อมหรือเปล่าส่วนมากมันจะรู้ตัวเป็นพักๆหลายคนไปปฏิบัติวิปัสสนาตอนที่อยู่ในวิปัสสนาดีมากเลยกลับออกมาถึงบ้านสามีทำเย็นชาใส่ พันปึงพรรยาไปตั้งเจ็ดวันพอมาถึงเท่า น, นั้นเองนะเหมือนน้ำมันเบนซินมาเจอกับไฟลแล้วที่ฝึกฝึกมามันหายไปไหนหมดออกจากคอกรรมฐานแล้วหายหมดเลยก็เพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ในโลกของอดีต บ, บ้างอนาคตบ้างอยู่กับคนซึ่งมาทะเลาะ ก, กับเราบ้าง คนที่มาชวนเราทะเลาะเนี่ยจริงๆถ้าเปรียบเป็นรถแสดงว่าเครื่องยนต์เขา ก, กาลังเสียพอมาชวนเราทะเลาะเราทะเลาะตอบเครื่องยนต์เราเสียหนักกว่าเขาอีกระบายของเสียใส่กัดไม่ดีอยู่กับปัจจุบันนี้ก็คือการฝึกสติตามแนววิปัสสนากรรมฐานนั่นเองเรื่องนี้คงต้องยกตัวอย่างให้ฟังอาตมาภาพได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งครั้งหนึ่งมีคนไปถามหลวงพ่อชาตอนที่ท่านบินไปเมืองนอกแล้วเครื่องบินตกหลุมอากาศ ญาติยอมตกใจมากโยมคนหนึ่งก็ไปกระซิบถามว่าหลวงพ่อตอนนี้เครื่องบินตกหลุอมอากาะหลวงพ่อเอาใจไว้ที่ไหนหลวงพ่อก็บอกว่าอาตมาก็เอาใจไว้ในที่ที่มันควรอยู่แล้วโยอมอใจไว้ที่ไหนใจโยมตกถึงพื้นนานแล้วค่ะ <laughs> เครื่องยังไม่ตกเลยนะตายตั้งแต่เครื่องยังไม่ถึงพื้นอะ ตกใจนั่นเองเนี่ยที่เราบอกว่าตกใจตกใจคือใจมันตกพอใจมันตกก็ตกใจแต่คนซึ่งอยู่กับปัจจุบันเป็นปรากฏการณ์ข้างนอกจะสันไหวยังไงก็ตามข้างในไม่กระเทอือนทุกกระทบกิเลสไม่กระเทอือนแต่ทุกกระทบทํากระเทอือนครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงเป็นตัวอย่างที่ดีของเรื่องนี้ก็คือทรงนั่งสมาธิอยู่กับปัจจุบันอย่างสงบใต้ต้นไม้ ใกล้ๆกันนั้นมีฟ้าผ่าโคของชาวนาตายไปเจ็ดตัวพอฝนสาฟ้าสว่างมีคนไปกระทูนถามพระพุทธองค์ว่าทรงได้ยินเสียงฟ้าผ่าไหมพระพุทธองค์บอกว่าฉันไม่ได้ยินเพราะอะไรพระองค์ไม่ได้ทรงใจออกไปตามเสียงฟ้าเสียงฝนแต่เก็บใจไว้ในที่ที่มันควรอยู่นั่งนิ่งๆแต่เป็นการนิ่งอย่างตื่นรู้ พระวิปัสสนาจารย์บางท่านท่านเรียกภาวะนี้ว่าน้ําไหลนิ่งน้ําไหลนิ่งคือเราดูข้างบนเนี่ยมันนิ่งแต่ข้างในพื้นน้ํามันไหลแต่เพราะมันไหลอ ย, อย่างนิ่งนิ่งเราจรึงมองไม่เห็นความไหลของมันน้ํามันจึงไหลนิ่งคนซึ่งมีสติอยู่กับปัจจุบันเป็นข้างนอกยุ่งยังไงเขาก็มีความสุข ยกตัวอย่างอาจารย์กำพลทองบนนุ่มนะ่อยู่บนเก้าอี้วิวแชร์ตลอดท่านเป็นครูสอนพันลศึกษานะเรียนจบใหม่ๆกำลังได้บรรจุเป็นครูอยู่มาวันหนึ่งไปช่วยเพื่อนสอนนักเรียนกระโดดน้ำกระโดดลงไปผิดท่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเพื่อนอุ้มจากน้ำไปไว้ที่โรงพยาบาลเป็นนามาพาดไปครึ่งซีก ครูนุ่มหมดอนาคตทันทีท่านก็คิดว่าเอาละที่ฉันเป็นนามาพาศเนี่ยมันก็คงจะตายในไม่กี่เดือนคือภาวนาให้ตัวเองตายเพราะว่าทุกมากๆเลยทุกอย่างมันดับไปหมดเลยจะแต่งงานก็ไม่ได้แต่งเป็นครูก็ไม่ได้เป็นจะบวชอีกไม่กี่วันก็ไม่ได้บวชอาจารย์กำโพนทองบุนนุ่มจมอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์สิบหกปี ช่วงแรกๆท่านก็คิดว่าปีนี้มันไม่ตายปีหน้าคงตายปีหน้าไม่ตายปีต่อไปมันคงตายแล้วมันก็ไม่ตายเลยลากยาวไปสิบหกปีอ่านหนังสือธรรมะหมดเป็นตู้ๆวันหนึ่งคุณพ่อหรือคุณแม่ไปได้เทปของหลวงพ่อคําเขียนมาหลวงพ่อคําเขียนลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนสอนวิปัสนาอายเคลื่อนไหวเขาเรียกว่าดนามิกเมดิเทชัน คือสอนให้ตื่นรู้ด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนไหนก็ได้ยกมือก็ได้กระดิกมือก็ได้อาจารย์กำพลทองบุนนุ่มตัวชาไปครึ่งซี่เคลื่อนไหวได้เฉพาะนิ้วมือพอได้ฟังเทปธรรมะของหลวงปู่หลวงพ่อคำเขียนเท่านั้นเองทุกครั้งเอาแต่อ่านอ่านมาสิบกว่าปีดับทุกไม่ได้แต่ครั้งนี้จะลองปฏิบัติจึงลองขยับมือรู้หนอรู้หนอ ขยับมือพอขยับได้ไม่นานเท่าไหร่สติซึ่งมีบ้างขาดบ้างนั้นได้รับการกระตุกให้ตื่นขึ้นพระพุทธเจ้าซึ่งจําสินอยู่ในจิตใจของอาจารย์ได้รับการเคาะประตูให้เปิดประตูออกมาโปรดท่านในตัวเรานี้มีพระพุทธเจ้าจำพรรษาอยู่ข้างในนี้นะเราต้องขยันเคาะประตูให้ด้านตื่นนะ อยากให้พระพุทธเจ้าภายในนี้หลับตลอดชีวิตนะทุกครั้งที่เรากาหนดลมหายใจนั่นคือการเคาะประตูให้ตัวสติมันตื่นตัวสติคือตัวพุทธะนั่นเองอาจารย์กําพลขยับมือขยับมือขยับมือพอตัวสติมันตื่นเต็มที่วันหนึ่งท่านแยกกายแยกจิตออกจากกันได้แล้วท่านก็เห็นตัวเองอย่างชัดเจนว่าอ๋อตัวที่มันป่วยนี้คือตัวกายไม่ใช่จิต แต่ที่ฉันทุกมาสิบหกปีเพราะอะไรเพราะจิตของฉันมันไปแบกกายก็เลยนึกว่าทุกพอแยกจิตออกจากกายแยกกายออกจากจิตความทุกของกายอยู่ที่หนึ่งแต่ใจนั้นพองใสเบิกบานมีความสุขมากทุกวันนี้ทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นคนพิการแต่เดินทางไปสอนกรรมาฐานทั่วประเทศไทยเจออาจารย์เมื่อไร่ยิ้มเม่อนั้นมีความสุขมาก เพราะอะไรเพราะว่าท่านดํารงชีวิตโดยการอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลามีสติตลอดเวลาพอเรามีสติตลอดเวลาความทุกข์ก็เข้ามาไม่ได้จิตของเรามีลักษณะที่เศษก็คือจะรับอารมณ์ทีละอย่างถ้าช่วงไหนก็ตามที่จิตของเรามีสติเต็มตัวอยู่ตลอดเวลากิเกลสมันจะไม่มีที่ให้แทรกซึมเข้ามาแต่ถ้าช่วงไหนจิตของเราไม่มีสติ ช่วงนั้นกิเลสมันจะสัมประธานยึดพื้นที่หมดเลยโรบโกรธหลงเดินพาเรศเข้ามาครอบงำเราแต่ถ้าช่วงไหนจิตของเรามีสติช่วงนั้นกิเลสมันมาหาเรามันเข้ามาแทรกซึมในเราไม่ได้มันก็ไปหาคนข้างๆคนข้างๆก็ทุกข์ไปอันนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเราฝึกสติเราก็อยู่กับปัจจุบันได้แต่ถ้าไม่เคยฝึก ตัวความคิดเนี่ยจะดึงเราไปในอนาคตดึงไปในอดีตอาตมาภาพเคยเจอคุณโยมท่านหนึ่งคุณผู้ชายเสียไปสิบกว่าปีทุกๆปีถ้าถึงเวลาที่คุณผู้ชายเสียเนี่ยครบรอบวันตายจะไปทำบุญเจ็ดวัดและ ว, วันหนึ่งก็ไปทำบุญกับอาตมาภาพทำบุญถวายสังฆทานเราก็ให้พรสังเกตดูทำไมรับพรไปด้วยร้องไห้ไปด้วย น้ำที่ใช้กรวดกับน้ําตามันไหลพร้อมกันเลยเว้ยมืองก็กรวดน้ําแำน้ําตามันก็ไหลมันยังไงเราก็ถามว่าจะรับผ่อนไหรับขาดทานรับแล้วก็เช็ดน้ําตาฮบอกว่ามั น, ม, นมันเช็ดไม่ได้ท่านไม่รู้จะทํำยังไงละเหลือฉันคนเดียวเราก็บอกเหลือคนเดียวได้ยังไงลูกๆสี่ห้าคนเนี่ย ดูซิเนยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นเจ้าของบริษัทอันนี้ไม่มีประโยชน์เลยหรือลูกๆสี่คนเนี่ยคุณโยมก็บอกว่าลูกก็ส่วนลูกท่านแต่ดิฉันคิดถึงสามีสามียนมตายมากี่ปีปีนี้เข้าปีที่สิบแล้วท่านเป็นวันสามีแห่งชาติทุกๆปีพอถึงวันตายร้องหนึ่งวัน ลูกๆไม่ห้ามเพราะอะไรมันกลายเป็นประเพณีไปแล้วอาตมาเลยบอกว่าคุณโยมรู้ไหมที่คนโยมทุกๆุกอยู่นี่นะถ้าคุณโยมฝึกสติกรรมฐานนะความทุกแบบนี้เขาเรียกว่าทุกเพราะเสียค่างโง่ฝึกสติแล้วเนี่ยโยมน้าตาไม่ไหลหรอกคนที่น้ำตาไหลคือคนที่ไม่เคยฝึกสติเอ๊ะ้าท่านพูดภาษาอะไร ไม่เคยได้ยินภาษาแปลกๆอย่างนี้เลยมันห้ามได้เือท่านน้ำตาเนี่ยเราก็บอกว่าอย่าว่าแต่น้ำตาเลยที่ห้ามได้ความคิดที่ทำให้โยมทุกข์เนี่ยเพราะสามีตายมาเป็นสิบสิบปีเนี่ยถ้าทำตามตมาตะมาโยมก็ห้ามมาได้วันนั้นรับพรเสร็จอตาตารยก็สอนฝึกสติกรรมฐานสติปฐานฝึกกันตรงนั้นอีกปีหนึ่งมาทาบน อายุหกสิบห้าแล้วใส่กางเกงยีนมาทำบุญอุย้ยมีความสุขมากท่านลูกนี่มาเจอทันต่างนานแล้วเดี๋ยวนี้ทำสถิติไปอาบรมมาสิบเอ็ดคอร์สกรรมฐานแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญความทุกข์มาในหัวเราะย่อ เ, ยอเลยสนุกมากรู้ทันสมมติแล้วเนี่ยจะทุกข์ก็ได้จะไม่ทุกข์ก็ได้เห็นไหมจะทำตัวเป็นคนแก่แนวๆก็ได้ 65แล้วใส่รีไว้เรียกว่าพอมีสติอยู่กับปัจจุบันเป็นหัวใจมันแตกเนื้อหนุ่มเลยนะแตกเนื้อสาวเลยลุกขึ้นมาเต้นเลยแต่พอมันไม่เคยอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเห็นสามีตายเนะี่ยมันจะตายตามเพราะอะไรหัวใจมันทุกพลภาพหัวใจมันป่วยตามสามีคนแก่หลายคนซึ่งคู่รักตายไปเนะี่ยตัวเองไม่ป่วยไม่ไข้ แต่ตัดใจตายตามสามีตัดใจตายตามภริยาเพราะอะไรเพราะผูกจิตผูกใจไว้กับค่ครองของตนคนเหล่านั้นถ้ามาฝึกสติวิปัสสนากรรมฐานจะอายุยืนอีกมากเพราะฉะนั้นในเมืองไทยสถิติคนที่ตตยตายกันเนี่ยส่วนหนึ่งตายเพราะอุบัติเหตุส่วนหนึ่งตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บส่วนหนึ่งตายเพราะเสียค่างโง่ นี่แหละไม่รู้จักอยู่กับปัจจุบันไปทุกในเรื่องที่คนเขาไม่ทุกเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกวิธีคิดแบบอยู่กับปัจจุบันครั้งหนึ่งพระรูปหนึ่งไปบินธบาตไปรับบาดบ้านนางสิริมานางสิริมานี้เป็นนครโสเพณีนครโสเพนีถ้าเทียบปัจจุบันนี้ก็คือนางงามของประเทศหรือนางงามจักรวาลนะเป็นมิสไทยแลนด์หน่อย บ้านไหนเมืองไหนมีนครโสเพณีเนี่เป็นเกียรติยศของบ้านนั้นเมืองนั้นแต่เดี๋ยวนี้พอบอกว่าใครเป็นโสเพณีเนี่ยต่ํามากแต่สมัยก่อนทุกบ้านทุกเมืองถ้ามีโสเพณีนั่นคือเกียรติยศแล้วนางสิริมานีเป็นโสเพณีซึ่งมีรูปโฉมสครารพระรูปนั้นไปบินธบาตวันนั้นท่านไปรับบาสเสร็จแล้วก็ลืมตัวเห็นมือของนางสิริมาตักข้าวใส่บาส มืองามดังลำเทียนถ้าดวงพักจะงามขนาดไหนหลวงพี่ก็ลืมตามองโอ้งามถึงขั้นพูดไม่ออกอพอกลับมาเท่านั้นเองหลวงพี่ไม่ฉันปล่อยข้าวทิ้งไว้ในบาทเลยไม่ฉันฉันไม่หลออท่านก็นึกปรุงแต่งในใจว่า วันนี้ขนาดนางสิริมาป่วยนะยังงามถึงขนาดนี้แต้ถ้าไม่ป่วยล่ะจะงามเลิศวิไลขนาดไหนถ้ารูปนี้ก็ทุกในขนาดที่อีกรูปหนึ่งไปบินธบัตตามกันไปไม่มีปฏิกิริยาอะไรกับรูปนั้นเลยทำาไมพระรูปนั้นทุกเพราะท่านถูกความงามของนางสิริมาฉุดเข้าไปท่านไม่ได้อยู่กับปัจจุบัน แต่พระที่อยู่กับปัจจุบันความงามของนางสิริมาทำอะไรไม่ได้ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสขึ้นมาดีมากๆเลยท่านบอกว่านี่แนียกามฉันรู้จักตัวจริงของเจ้าแล้วต้นตอของเจ้าก็คือความคิดหากไม่มีความคิดก็ไม่มีกามประโยคนี้วิเศษมากๆเลยนะ แปลเป็นภาษาชาวโลกก็ต้องบอกว่าความสวยความงามที่แท้จริงไม่มีความสวยความงามที่มันรัดรึงใจเราได้ก็เพราะว่าเราไปคิดเราไปปรุงแต่งเอาเองถ้าเราไม่ปรุงแต่งนะเราดูมันก็สักแต่ว่าดูเท่านั้นเองมันจะทำร้ายเราไม่ได้แต่พอเราดูแล้วปรุงแต่งเนี่ยดูอะไรก็ทุกข์ดูเพลิงพายุก็ทุกข์ดูเหมมราชก็ทุกข์ เห็นไหก็ดูไม่เป็นไม่ได้อยู่กับปัจจุบันอ่ะดูละครก็เข้าไปเล่นละครกับเขาเขาให้เป็นผู้ดูไม่ใช่เป็นผู้เป็นอันนี้พอดูปุ๊บอายุหกสิบแล้วยังนึกว่าตัวเองเป็นอ้ําแหมคุณยายก็เหลือเกินเนื่อเพราะว่าเราดูแล้วเราเข้าไปเป็นผู้เป็น เราไม่ใช่เป็นผู้ดูสั์เทคนิคอย่างนี้ท่านทั้งหลายฟังแล้วคงเข้าใจนี่วิธีคิดแบบอยู่ปัจจุบันก็คืออยู่อย่างมีสตินั่นเองลุงปู ด, ดุลท่านใช้คำงดงามมากท่านบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกอย่าส่งจิตออกนอกที่เราทุกข์ก็เพราะว่าเราส่งจิตออกนอกนักปาะราชบัณฑิตทั้งหลายฝ่ายกรรมฐานที่ท่านไม่ทุกข์ไม่ทุกข์แล้วผิวพรรณผ่องใสนะ ใสมากครีมหน้าเด้งนไม่ได้แอมท่านหรอกใสอัตรมราไมได้มีคนทักว่าอายุยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดประจำเลอดเซลตัวเองไม่ได้ไม่ได้ใช้ครีมหน้าเด้งไหนครีมใดครีมไม่ได้แอมเลยเพราะอะไรเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันเป็นความทุกข์แทรกซึมเข้ามาไม่ได้ สับหลวงปู่ดุลณท่านเรียกว่าไม่ส่งจิตออกนอกไม่ส่งจิตออกนอกก็คือไม่ไปรับอารมณ์ข้างนอกเข้ามาปรุงข้างในให้มันปวดเพราะข้างในมันใสยอยู่แล้วแค่รู้ตัวเท่านั้นเองนามันใสยอยู่แล้วเคยเห็นไหมคุณโยมไปตักน้าใสาแก้วมาถ้าเราทิ้งไว้น้ำนั้นก็ขุ่นเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ถ้าเราไปเอาสารส้มมาแกงทาไมน้าขุ่นกลายเป็นน้าใสา ก็เพราะธาตุาแท้ของน้ำมันใสยอยู่แล้วที่มันขุนก็เพราะอะไรสิ่งแปลกปลอมใจของเราเหมือนธาตุแท้ของน้ำใสยอยู่แล้วโดยธรรมชาติเศร้ามองไปก็เพราะกิเลสที่เป็นสิ่งแปลกปลอมเพราะฉะนั้นฝึกอยู่กับปัจจุบันให้เป็นแล้วเราจะมีความสุขมากวิธีคิดแบบต่อไปคือคิดแบบรู้ทันธรรมดา คิดแบบรู้ทันธรรมดาธรรมดาของชีวิตนี้เป็นสิ่งสากหตคนทั่วโลกจะพบเหมือนกันหมดไม่ว่าคุณจะเกิดมาบนกองเงินกองทองหรือเกิดมาแล้วคุณแม่เอาไปใส่ลงในชักโครกแล้วก็โกดทิ้งศัตรรมนี้ไม่เคยมีใครหนพีพ้นนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าไตรลักษณ์ไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้ ภาษาพระเรียกว่าอนิจจังทุขังอนัตตาภาษาธรรมะติดปีกแปลให้เข้าใจง่ายๆว่าไม่เที่ยงไม่ทนไม่แทะจำคาถานี้ไว้เลยไม่เที่ยงไม่ทนไม่แทะในชีวิตของเราจะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นคำว่าไม่เที่ยงไม่ทนไม่แทะเนี่ยอย่านึกว่ามันไกลตัวเรานะในตัวเรานี้ก็เกิดตลอดเวลาตัวไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้จิตของเราเกิดขึ้นเบิกบาน ถ้าไม่มีสติตลอดเดี๋ยวมันก็จะหดหูทำไมมันหดหูล่ะก็เพราะมันไม่เที่ยวทำไมมันไม่เบิกบานตลอดไปก็เพราะว่ามันไม่ไม่แท้มันไม่ใช่ตัวตนของเราเราบังคับมันไม่ได้จะให้มันเบิกบานตลอดก็ต้องสร้างเหตุปัจจัยให้มันเบิกบานเพราะฉะนั้นไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้มันเกิดขึ้นในตัวของเราแล้วจึงแผ่ออกไปครอบงาทั่วทั้งโลกเราจะต้องรู้จักคาว่ารู้ อันธรรมดาและท่องเอาไว้ว่าธรรมดาของชีวิตซึ่งเราเกิดมาแล้วจะปฏิเสธไม่ได้คืออนิจจังทุกขังอนัตตาคนทุกคนเกิดมาแล้วหนีไม่พ้นอนิจจังทุกขังอนัตตาวิธีคิดแบบรู้ทันธรรมดานี่เหมาะที่จะมาใช้สําหรับคนซึ่งโลดลั่นใช้ชีวิตอยู่ขณะเดียวกันก็เหมาะที่จะไปใช้สําหรับคนที่ประสบทุกข์หนักหนาสาหัสเช่นเราทํางาน เจ้านายไม่เห็นคุณค่าก็อย่าเพิ่งตำหนิตัวเองเพราะอะไรการที่เขาไม่เห็นคุณค่าเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงไม่เห็นวันนี้พรุ่งนี้อาจจะเห็นก็ได้ใช่ไหมและการที่เราได้รับคําชมเชยฝึกไว้นะคนที่เคยชมเราเดี๋ยวอาจจะเป็นคนที่ตําหนิเราสามีภรรยายอยู่ด้วยกันก็ต้องฝึกไว้มือที่เคยเปิดเราขึ้นรถนะเปิดประตูให้สักวันมันจะผักเราหัวที่หัวต่ํา ใช่ไหมผู้หญิงคนหนึ่งเขียนไว้ในหนังสือเขาบอกว่าตอนจีบกันใหม่ๆไปทานข้าวด้วยกันไม่ต้องเอามือไปก็ได้คุณโรแมนติกมากแต่พอแต่งงานอยู่กินด้วยกันแล้วเนี่ยมีเป็นพันมือก็บริการสามีไม่ทันตอนจีบกันใหม่ๆเปิดประตูรถเชิญพอแต่งงานผ่านเดือนแรกนะ เองแล้วก็ขับให้ด้วยดูสิสุดท้ายก็เลิกกันคนที่เคยรักเรากับคนที่ทำร้ายเราอาจเป็นคนเดียวกันก็ได้นี่เคยตรกอกกอดสองแก้มเราสักวันหนึ่งมือเนี่ยตบเราหน้าหันมมันเที่ยงไหมทุกข์แล้วมันเป็นสุขไหมสุขแล้วมันเป็นทุกข์ไหมมันอยู่ในบังคับเราไม่สามีเนี่ยสั่งได้ตลอดไปไหมอยู่ต่อหน้าก็บอกชาตินี้ ไม่มีใครขึ้นถึงฐานะอันสูงสุดในหัวใจพี่เท่าเธออีกแล้วแต่พอไปที่ทำงานยีมมีกิจยังไม่พอมีกักอยู่อีกบริษัทมันเป็นอนัตตามันเชื่อฟังเราเมื่ อ, อไหร่อัเนี้ยเห็นไหม เพราะฉะนั้นท่องไว้ในใจนะไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้อเนจังทุกขังอนัตตาเป็นอย่างนี้ตลอดเลยชีวิตเจาครั้งหนึ่งพันตัรเสนาบาดีเนี่ยสามีของพระนางมณิกาเป็นเสนาบาดีใหญ่ของพระเจ้าประเสด็จที่โกรธสนถูกหลอกไปข่าที่ชายแดนพอถูกหลอกไปข่าที่ชายแดนเท่านั้นเอง วันนั้นเป็นวันที่พระนางมัลลิกานี้มนพระอ克拉สาวกพระสารีบดพระโมฆลลานะมาเลี้ยงเพนที่บ้านถ้าไม่ใช่เพนก็คงเป็นเชา้าเป็นจังหันในระหว่างที่กําลังเลี้ยงเพนนั่นเองก็มีคนเอาจดหมายจากชายแดนมาส่งให้นางมัลลิการพระนางอ่านดูก็รู้ว่าสามีถูกฆ่าตายที่ชายแดนเก็บข่าวร้ายนั้นเข้าใจพบไปประเคนพระตาหารเหมือนเดิม พอไปประเคนพัตาหารแล้วในระหว่างนั้นเองหญิงสาวชายเอาของหวานบาเสลทำถ้วยตกต่อหน้าพระสารีบทถ้วยนั้นแตกทึ้งพระสารีบทก็ปลอบใจโยมปลอบใจเจ้าภาพบอกว่าอุบาสิกาอย่าคิดมากนะของที่มันแตกได้สักวันหนึ่งมันก็ต้องแตกเป็นธรรมดาถ้านังมันลิกาบอกว่าพระคุณเจ้าโยมไม่คิดมาก เพราะก่อนหน้านี้มีทหารเอาข่าวร้ายมาบอกว่าสามีของโยมและลูกอีกสามสิบสองคนถูกลอบประหารโยมยังไม่ทุกข์เลยทำไมความทุกข์ทะลุทะลวงหัวใจเธอไม่ได้ก็เพราะว่าพระนางมันลีกามีคาถาอยู่บทหนึ่งคือไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาท่องคำนี้ไว้ตลอดเวลาความทุกข์ทำอะไรไม่ได้ ทีนี้ก็มาถึงวิธีคิดประการสุดท้ายวิธีคิดประการสุดท้ายวิธีคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียมวิธีคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียมก็หมายความว่าเราอยู่ในโลกนี้เราเสดบริโภคปัจจสี่ปัจใจสี่ที่เราบริโภคจะมีอยู่สองคุณค่าคุณค่าอย่างหนึ่งเรียกว่า คุณค่าแท้คุณค่าอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าคุณค่าเทียมเวลาพระจะฉันพตรตตาหารพระพุทธเจ้าจะให้ท่องหรือให้พิจารณาท่านเรียกว่าบทปฏิสังขายโยบทปฏิสังขายโยนี้เป็นบททิจารณาปัจจัยสี่ถ้าเราพิจารณาอย่างมีปัญญาเราจะบริโภคปัจจัยสี่อย่างเห็นคุณค่าที่แท้เช่นเวลาเราบริโภคอาหาร ท่านก็ให้พิจารณาบอกว่าอาหารนี้ที่เรารับประทานเข้าไปไม่ใช่กินเพื่อเล่นเพื่อสนุกสนานเพื่อเมามันเพื่อเกิดกําลังพลังทางกายแต่เรากินเพื่อกําจัดความหิวกินเพื่อให้ร่างกายมีแรงศึกษาธรรมะกินเพื่อบําบัดเวทนาเก่าแล้วก็ป้องกันเวทนาใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นและเมื่อมีเรี่ยวแรงแล้วก็ไม่เชื่อเพื่อเมามันเพื่อความสวยความงามเพื่อที่จะได้ทําประโยชน์ต่อๆไป นี่คือคุณค่าแท้ในการกินอาหารเพราะฉะนั้นก่อนพระจะฉันในท่านจะพิจารณาอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้เวลาพระของเราจะฉันก็พิจารณาเหมือนกันแต่ไม่ใช่พิจารณาแบบเข้าใจมันกลายเป็นการเสดข้าวก่อนจะฉันก็ท่องปฏิสังขารโยเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ฉันเลยจากของซึ่งมีคุณค่ากลายเป็นพิธีกรรม พอพิธีกรรมซึ่งเราไม่เข้าใจความหมายมันกลายเป็นพิธีพ ร, รมณ์พิธีกรรมกลายเป็นพิธีพรามณเพราะอะไรก็เพราะว่าเราไม่เข้าใจเช่นเรื่องเถรสองบาทหลวงตาท่านหนึ่งเนี่ยทุกวันฉันเสร็จก็ล้างบาทล้างเสร็จก็เช็ดเช็ดเสร็จก็สง่งส่งในอากาศดูว่ามันแห้งไหมมันหมดไหมเสร็จแล้วก็วางตากแดดต่อมาหลวงตาตาย หลวงพ่อเจ้าวาดขึ้นมาครองวัดชันเสร็จก็จําได้ว่าหลวงตาเคยทําท่านก็ล้างบาทล้างเสร็จท่านก็ส่องส่งเสร็จทําอยู่อย่างนั้นจนท่านมรณะไปอีกรูปหนึ่งต่อมารุ่นที่สามเจ้าวาดเปิดสํานักเรียนมีพระเป็นร้อยชันเสร็จท่านบอกลูกพระลูกเนนทุกรูปล้างบาทนะลูกล้างเสร็จแล้วเรามายกส่งพร้อมๆกันทั้งวัด ทำอยู่อย่างนี้ทั้งวันโลยทุกวันนี่เรียกว่าเถนสองบาททำความดีโดยไม่เข้าใจความมุ่งหมายก็เหมือนชาวฟุธบริโภคปัจจัยสี่โดยไม่เข้าใจความมุ่งหมายของจัตุปัจจัยแต่ถ้าเราเข้าใจความมุ่งหมายของปัจจัยสี่เราจะบริโภคด้วยการคำนึงถึงคุณค่าที่แท้จริงพอเราไม่เข้าใจเราก็ไปบริโภคคุณค่าเทียมเช่นสวมนาฬิกา ต้องเอาแพงๆได้นาฬิกาใหม่มาทำยังไงเพื่อนจะเห็นวันนี้จัดแข่บเสื้อบ่อยมากพอเพื่อนเห็นแล้วภูมิใจทั้งๆที่นาฬิกาคุณค่าที่แท้จริงคือใช้บอกเวลาใช่ไหมได้เงินมาก้อนน่ซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านหรูมากๆเครื่องแก้วคริสตันเฟอร์นิเจอร์ลุยทั้งนั้นเลย แล้วใครมันจะเห็นวะเนี่ยโทรไปบอกเพื่อนนะร้อยวันพันปีไม่เคยเลี้ยงวันเกิดเลยปีนี้แห่สิทกว่าแล้วคลึงบอกคล้งใจฉันจะเลี้ยงวันเกิดพอเพื่อนเพื่อนมาแนะนำเฟอร์นิเจอร์นี่มันเป็นอย่างนี้เฟอร์นิเจอร์นี่เอามาใช้อานวยความสะดวกแต่เร า, เามาใช้เพื่อแสดงอัครฐานทางการเงินของเราใช่ไหมหรือเด็กบางคน ไปดูผลสอบรู้แล้วว่าตัวเองสอบได้การที่เราสอบแล้วสอบได้ผลของมันก็คือเราได้ผ่านขึ้นไปเรียนอีกชั้นหนึ่งผลโดยตรงคือคุณค่าแท้ของมันแต่เด็กบางคนนี่อยากจะอวดเพื่อนไปดูแล้วรู้แล้วทำยังไงเพื่อนจะรู้ว่าเราสอบติดจุฬาโทรไปถามเธอไปดูหรื อ, อยังเพื่ออะไรเพื่อจะบอกว่าเนี่ย โยงเข้ามาหาเรื่องของตัวเองเมื่อไหร่เพื่อนมันจะถามสักนทะีว่าฉันติดหรือไม่ติดพอเพื่อนไม่ถามบอกเลยนี่ก็คือคุณค่าเทียมไงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราไปปฏิสัมพันธ์กับมันแล้วเรามักจะไปติดที่คุณค่าเทียมตื่นเช้ามามีคนชงกาแฟมาให้ ยี่ห้ออะไรเนี่ยใช่ยี่ห้อที่นางเอกเป็นอัลไซเมอร์แล้ววิเรเอาชามาให้อากาแฟมาให้หรือเปล่ายี่ห้อระ ล, ลึกชาติอ่คือทานอะไรก็อยากจะให้มันรู้มีระดับอ่ะใช่ไหมเป็นอย่างนั้นหรือตัวเองเป็นลูกการเมืองลูกนักการเมืองคุณค่าแท้ของคนที่เป็นลูกนักการเมืองคืออาศัยชื่อเสียงของพ่อทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติแต่เวลาไปผับกลางคืนทํายังไงคนมันจะรู้จักก็ต้องถามว่ารู้ไหมฉันลูกใคร ถามเมื่อไรก็ขึ้นหน้าหนึ่งอตาตมาภาพไม่ได้ระบุชื่อใครนะหัวเราะเพราะว่าปรุงแต่งนี่คือไม่รู้จักคุณค่าแท้ไม่รู้จักคุณค่าเทียงทีนี้ใครที่รู้จักคุณค่าที่แท้จริงต้องยกตัวอย่างใกล้ๆตัวเรานี่เองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทำ ม, มิกะมหาราชา เป็นแบบอย่างของบุคคลซึ่งทรงบริโภคปัจจัยสีย่ยางรู้คุณค่าแท้คุณค่าเทียมดรสมเมุเมธตันติเวชคุณเนี่ยเลขาที่การโูลนิธีชัยพัฒนาเล่าเอาไว้ท่านบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นเวลาที่ทรงใช้ดินอสอทรงงานจะเขียนจนดินสอกุดหมดเป็นแท่งๆหนึถ้ามันสั้นจนไม่สมาดนก็เอาอด้ามหนึ่งมาต่อด้ามเขียน คอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ทรงงานอยู่เนี่ยเครื่องเดียวพร่องคเล่าเอาไว้เมื่อปีที่แล้วบอกว่าใช้มาสิบหกปีแล้วของเราเนี่ใช้สักเดือนสองเดือนก็รู้สึกว่ามันตกรุ่นนะถ้ามันไม่เปลี่ยนก็แค่งดึดหลายไฟอยากเปลี่ยนแต่พระองค์ท่านได้ใช้มาตั้งสิบหกปีนะ่ะไม่เปลี่ยนนาฬิกาซึ่งทรงสวมอยู่ในข้อนะคะด็อกเตรสุมเมตตันติเวชกุลเล่า ว, ว่า เป็นยี่ห้อใส่แล้วโก้ไม่ใช่ใส่โก้ใส่แล้วโก้มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยมีคนเอารองเท้าเก่าๆคู่หนึ่งไปให้ช่างใกล้ๆวัดเบญจมาศพิษแนะถวแถวเขตกาจะเทวีนะตัดนายช่างก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็ตัดแล้วก็ส่งคืนอาทิตย์ต่อมามาอีกคู่หนึ่งนายช่างก็ถามว่าของใคร กว่าจะตอบกันได้ก็วัดใจกันนานนะไม่รู้จะบอกยังไงสุดท้ายก็บอกว่าของในหลวงท่านทีนี้นายช่างก้มลงกราบเลยตัดอย่างบรรจงเนอะตัดอย่างบรรจงก็ส่งคืนไปต่อมาก็มีตามมาทีนี้รู้แล้วว่าเป็นรองเท้าของใครสร้างใจตัดแล้วเขาเก็บเศษรองเท้าซึ่งเหลือจากการตัดการแต่งเนี่ย ใส่พานไว้กราบทุกครั้งก่อนทํางานก่อนหน้านั้นเขาบอกว่าเขาตระเวนทำมาแล้วเป็นสิบอาชีตไม่รุ่งสุดท้ายกลับมาตัดรองเท้าได้ใจรักเพื่อนๆก็ดูถูกว่าทํางานกับของต่าพอมีลูกค้าเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นเองของต่าเป็นของสูงหมดเลยนักการเมืองเลวยไหโซดาราเย จนวนลูกสายมุ่งไปที่นั่นหมดเลยอัตามาพาถามว่าทำไมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้รองเท้าใช้ฉลองพระบาทจนสึกพระองค์มีพระประสง์สิ่งใดเนี่ยคนไทยจัดถวายหมดเลยแพงขนาดไหนก็ได้แต่ทำไมล่ะทรงทรงอยู่อย่างประหยัดมัธยัต ก็เพราะพระองค์ทรงใช้ทรงบริโภคปัจจัยสี่โดยการสำนึกระหนักในคุณค่าที่แท้จริงไม่ได้ใช้เพื่อแสดงอคตฐานทางสังคมไม่ได้ใช้เพื่อแสดงฐานะทางเศรษฐกิจไม่ได้ใช้เพื่อที่จะอวดใครว่าฉันรวยแต่ใช้สิ่งนั้นก็เพราะว่ามันสามารถอำนวยประโยชน์ให้เราได้อย่างแท้จริงเห็นด้วยอย่างนี่คือวิธีคิดแบบคุณค่าแท้ เราท่านทั้งหลายควจะปลูกฝังอะไรเอาไว้จะได้ประหยัดเงินซึ่งมันเคยรั่วไหลเนี่ยถ้าเรามีวิธีคิดแบบคุณค่าแท้นะมันเงินมันก็จะอยู่และอยู่นานด้วยครั้งหนึ่งพระอานนท์ไปเทศในวังพระนางกามาวดีถวายจีบอนมาห้าร้อยชุดพระเจ้าเทนโกรดมาก้าอะไรตั้นหาหน้ามืดถวายจีวอห้าร้อยรับหมดเลย ตั้งไปดูพระอนะอนท์พระอนนท์ก็บอกว่าอาตมาภาพไม่ได้รับเพื่อตัวเองแล้วพระคุณเจ้ารับไปเพื่อใครตั้งเยอะตั้งแยะก็เอาไปถวายภิสูรรูป อ, อื่นต่อไปและพิสูรรูป อ, อื่นถ้าท่านมีอยู่แล้วท่านจะไปทําไมก็เอาไปถวายรูปที่มีจีวรแก่กว่ารูปที่มีจีวรแก่กว่าแล้วจะไปทําไมอีกก็ให้รูปที่มีจีวรแก่กว่านั้นอีก แล้วถ้าจีวรหมดอายุการใช้งานพระคุณเจ้าจะาจีวรไปทําไหม่เอามาเป็นผ้าปูนอนถ้าปูนอนจนจีวรสึกแล้วทํายังไงเอาไปติดเป็นเพดานกันฝุ่นข้างบนทีนี้ถ้ากันฝุ่นจนมันหมดสภาพแล้วพระคุณเจ้าจะทํายังไงอีกเอาลงมาเป็นผ้าปูพื้นปูพื้นจนสึกหรอแล้วทํำยังไงเอาเป็นผ้าเช็ดพื้นเช็ดพื้นจนสีซีดหมดแล้วทํายังไง เอาเป็นพรมเช็ดเท้าถ้าใช้เป็นพรมเช็ดเท้าจนหมดสภาพทําไงต่ออัตมาภาพทั้งหลายก็จะผ้าจีวรเก่าท่ําคร่านั้นแหละไปตําไปโครกพร้อมกับโคใหมก็คือมูลโคอ่อนๆนะเอามาตำมาผสมกันเสร็จแล้วก็จะเอาจีวรที่ตํำผสมกับมูลโคอ่อนเนะี่ยจนแหลกละเอนะี่ยเอาไปฉาบทาฝากุริด พระเจ้าจอุเทนได้ยินอย่างนี้ก้มลงกราบแทบเท้าเลยบอกว่าปัจจัยสี่ซึ่งถวายแก่สิทธิของพระสมณะโคดมช่างมีคุณค่าจริงๆนี่คือตัวอย่างของวิธีคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียมเราบริโภคปัจจัยสี่ขอให้นึกว่าเราบริโภคเพราะเราต้องการเข้าถึงคุณค่าของสิ่ง น, นั้นจริงๆไม่ใช่บริโภคเพื่ออยากอวดอยากโอ หรืออยากแสดงสถานาภาพทางสังคมทางการเงินทางลดสกัาคารฐานของตัวเองก็ให้เราท่านทั้งหลายดำเนินรามต่อเนินตามรอยบาตรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราถ้าเราทำได้เนี่ยประเทศไทยจะไม่ประสบปัญหาภาวะวิกฤตั้ำสองซ้ำสามนะแต่เพราะว่าสังคมไทยเป็นสังคมซึ่งนิยมฟองสบู่คืออะไรฟองสบู่เวลาเป่าแล้วมันสุย งาแต่สักพักนะ่มันก็แตกเราไม่ควรจะเป็นสังคมฟองสบู่นะเราควรจะเป็นสังคมเข้ากล้องซึ่งไม่รู้นะแต่ว่ามีคุณค่าจริงๆสังคมไทยควรจะเป็นอย่างนั้นคืออยู่ในโลกของความเป็นจริงบริโภคปัจจัยตีก็บริโภคที่คุณค่าของมันจริงๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นก็ทรงจะเวี่ยงเข้ากล้อง สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาของเรานั้นก็ทรงโกรธนำริกถ้ากครอาหารแต่ละมื้อเนี่ยไม่ได้สั่งมาเป็นแพงจากเมืองนอกเป็นเรื่องพื้นๆแล้วมีคุณค่าทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็ฝากเอาไว้ให้เราท่านทั้งหลายว่าที่พูดมาทั้งหมดคือวิธีคิดตามหลักพุทธธรรมจริงๆก็จะเหลือครั้งอีกสามวิธีแต่ทีนี้เกินเวลามานทีหน่อยแล้วถ้านก็จะสรุปว่า คนทุกคนตั้งแต่เกิดมาก็มีความคิดและมีวิธีคิดแต่ทั้งๆ ท, ที่มีความคิดและมีวิธีคิดก็กลับมีเพียงบางคนเท่านั้นที่เห็นคุณค่าของความคิดและคิดเป็นและที่สุดของวิธีคิดตามหลักพระพุทธศาสนาก็คือการอยู่ในภาวะเหนือคิด อยู่ในภาวะเหนือคิดแล้วพัฒนาตัวเองก้าวข้ามความคิดมาอยู่กับภาวะที่เรียกว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิบานตลอดเวลานั่นก็คือก้าวข้ามความคิดมาอยู่กับความรู้ก้าวข้ามความรู้มาอยู่กับความตื่นรู้และสะนักรู้นี่แหละคือจุดมุ่งหมายสุดท้ายของพระพุทธศาสนาและก็จุดมุ่งหมายสุดท้ายของการบรรยายในคราวครั้งนี้ด้วย อตาตมาภาพคิดว่าได้ใช้เวลาบรรยายในเรื่องของวิธีคิดตามหลักพุทธธรรมมาตามสมควรในท้ายที่สุดนี้ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรยัยจงมารวมกันเป็นตบาบะเดชาพลวะปัจจัยอำนอยวยอวยชัยให้ทุกท่านทุกคนตั้งแต่คณะผู้จัดงานคือกลุ่มกลัลยาณธรรมตลอดจนถึงกัลยาณมิตรกลุ่มอื่นทุกท่านทุกคนซึ่งได้เอ่ยชื่อก็ดีนีไ่ได้เอ่ยชื่อก็ดีขอให้เราท่านทั้งหลาย จงประสบแก่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปได้ชอบและประกอบไปได้วยธรรมแล้วท้ายขอความคิดความปรารถนา้นั้นจงพันสำเร็ จ, จงพันสำเร็จและจงพันสำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนเชิญ